าจากที่ไหนคจากดิเทศบาลท่าข้ามอปกงค่ะพอดีมาราชการที่องอเยคยเคยมาป่ะเคยนะแต่ว่าพออภาพนี้เพิ่มมาครั้งแรกบ้านเดิมอยู่โคราชจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ทาอะไรอยู่นะวันนี้รับราการอยู่ที่ทข้ามฉันเซาครับอปปงะค่ะ ที่เดกันเกันอ่าปริมาณราชการที่สามมีตำแหน่งอะไรนะคออกรองการศึกษากองการศึกษาของเทศบาลเนี่ยเทศบาลท่าข้างตําบลเนื้อเกล็กเทศตําบลท่าข้างดูแลเกี่ยวกับการศึกษาครับก็ตอดูแลเรื่องการศึกาครับมีระดับไหนบ้างในเทศ เป็นตำแหน่งคือระดับแปดครับแต่ว่ารับชอบเกี่ยวกับเด็กเยาวชนนะครับการศึกษาของเยาวชนในเทศบาลครับก็จะมีแค่เด็กปถมวัยโรงเรียนของเทศบาลในแค่ระดับประฐมครับผมอืเป็นโรงเรียนที่เทศบาลดูแลเองเลยมีนักเรียนเยอะไหมเด็กทั้งหมดร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนครับ ปฐมหนึ่งยังปฐมหกอ่ะเป็นอนุบาลหถึงสามครับอนุบาลหถึงสาไม่มีปฐมครับมันยังไม่ครับพอดีเป็นคนปกครองจนให้จัดระดับอปฐมวัยระดับคนเรียนแบบบารัคผู้ปคองปฐมนี้ครับของกระทรวงศึกษาของครับผมเป็นการศึกษาภาาบังคับนะครับอืมหบด้านเจ็ดปีก็จะเข้าปอน่งเดือนนี้เขาเน้นสอนอะไรกันบ้างนะอ๋อ ถ้าระดับประถมวัยก็คือเตรียมควมพร้อมนะครับอ่าเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ในช่วงวัยวัยวัยเรียนในระดับต .1 นป็นการศึกษาพัฒน์คัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เด็กก็มีความหลากหลายนะครับจริงๆเปิดระดับอนุบาลก็ลบป็นบอพลภักดิ์วัวคงบางทีไปทำงานก็ไม่ต้องมาถึงเวลาต้องเลี้ยงลูกเป็นโร ง, งเลี้ยงเด็กครงเลี้ยงเด็กแล้สอนให้เด็ก อ่านเขียนหนึ่นอย่างนั้นครับก็คงแค่ค <Okay. S 2> กล้าม เ, เ, เนืเล็กกล้มเอ่อกล้ามเนื้อใหญ่พวมกล้ามเนื้อในส่วนของการเนื้อมือนะครับเพื่อเด็กได้ขีดเขียนแล้วก็ได้พัฒนาการด้านสังคมอืมเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่ทะเลาะโอ้ยแก่ตั้งแต่ปีขวบ่ะสองขวบครับองาว บ, บาอสองสามสี่นะครับอือยังเด็กมากนะครับ ก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพียงแต่ครับอ่าให้เด็กเขารู้จักเข้าสังคมครับช่วงแรกๆคนจะร้องไห้กันในเวลามาว่ะครับภาคยนแรกเขามันจะปูอะไรกระดูกก็ด้านไปยังไม่อยู่ยังควบคุมไม่ได้าพอเข้าเทอมเทมที่สองก็เรืีพัฒนาการด้านสังคมก็จะดีขึ้นอ่าทําเมือหรือว่าการเข้ากับเพื่อนก็จะ ชอบขึ้นกำลังทะเลาะกันค่ับก็มีทั้งเรื่องอาหารกลางวันครับผมมีเวลานอนด้วยเอาเวลานทนด้วยมีไหมครับมีครับ<อ> บ, บ่ายครูลงทีครูก็นอนตามเด็กนะเราเรียนร่กกาใจนั่นเองแต่ก่อนก็ผมก็เคยแล้ว ก, การเป็นผู้ช่วยฝาาิการเมือครับอยู่แถวโค่าชก็ จะทำเรื่องเกี่ยวกับกาเรเขาจะสร้างวัดทุกอย่างนี้หลักเพินตามพลบสโสมีสองร้อยห้ครับก็ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไม่เยอะนะก่อนที่อยู่เขตสรีคิ้วก็เป็นวัดตาคณะที่พักสงฆ์คณะสงฆ์เย อ, อ้หลักเพินก็ใหม่ก็ก็เปลี่ยนไปจากสามื่อก่าใช่เหตุการณ์นันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป กอนก็เราเพิ่อยู่จังหวัดแล้วที่มาก็วัดแทบติกันเลยอ่าในตัวในตัวจังหวัดนะมอาจจะเป็นบ่านความเจอรุ่งเรืองของบ้านเมืองไทยก่อนอแต่มาพอตอนนี้เสร็จก็ออกกฎเกณฑ์ระเบียบพลบโผงก็การการสร้างวัดข้ออะไรก็ค่อนข้างจะมีระเบียบเกินเกินขีดมากเกินพูดกำหนดว่าวัดที่จะสร้างใหม่จะต้องห่างจาก วัดเดิมสองกิโลอะไรเงี้ยของประชากรเท่าไหร่ถึงจะเขาอนาตสร้างได้อผมก็เคยรับเขาอนุญาตสร้างวัดมาในเขตที่รับลายการก็หลายหลายที่อ่ขั้นตอนขั้นตอนนี้ต้องมีที่ดินก่อนหรือเป่าครับคือก็เป็นไปส่วนหนึ่งก็คือญาตโยมจะต้องจะต้องยกที่ให้ดีให้กับสงฆ์ให้กับสงฆ์ที่จะทำหน้าขออนาตสร้างวัด ก็เริ่มแต่ที่พักสงศนักสงที่พักสงแล้วก็ไปถึงวัดวัดก็การขอบัลลังที่ส่งคำสื่มาอะไรก็เคยครับวันที่เพื่อนเขาบอกมาที่พระั า, าจาันก็มีความปิเศษดีครับได้มีโอกาสมาได้มรสการนะครับเพราะว่าเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่ก็อได้บุญลบารมีศีลศักดสิทธิ์ที่ อ, อ, อยู่ในเขพตพระกรอกวาอ่าหลวงพ่อสโสธรว่า พื้นที่พ่าคุณเจ้าต่างก็ให้ความเมตตาอืก็เลยมาอยู่ไปแล้วห้าปีครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ่าถ้ายังไม่ได้ย้ายกลับบ้านครับย้ายมาเองเลยย้ายมาเองก็เอาตำแหน่งทําตำแหน่งแล้วกะจะย้ายกลับไปเอาตำแหน่งที่บ้านต่อก็อาจจะไม่ทันเพราะอาจารย์เธเปลี่ยนก็ขออนุญาต้ายหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ไปก็อยู่แต่ก่อนก็ไปลูกติดหลวงก็คูนนะครับตอนนั หลวงพุทธฐานโยอารักป่าสารวันครับอยู่ใกล้ๆบ้านครับท่านจางืงตอนนี้จ็สร้างดีๆ ด, ด, ดีเป็นโดยทหารนะ่กนสร้างไว้หลวงก็ไปกลับบ้านที่นี่มอบุษบกหลวงปู่มัน่นหลวงปูส่สาวหลวงปู่เสงี่ยมสามลูกรู้สึกหลวงตามาหาบวัวไปช่วยสร้างให้ ผมก็เคยกราบใลมัราการบุตรามาโบยครั้งตอนท่านก่อนก่อนท่านจะออนะพาพนะครับท่านเอ่ออย่างกระโถนผมเคยหาอันนี้โทษนะครบอาจารย์ก็กรพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นถึงใช้อ่านเร่งงใช้ใช้กระใช้กระโถนเหล็กสีเทียงเหลืองนะเทียงเหลืองต้องไปหา ผมคงวิ่งหายหลวงตาบัวนั่งพรุ่งนี้ก็ต้องวิกวหาเขไปงงแล้ว่าพระกุศลเจ้าพระที่ที่สูงแล้วนี่นะครับน่าจะไอ้ท่านจะใช้แบบตะเบื่องอะไรอ่ารายคำลายคำครันท่านใช้ธรรมสีเหลือง ท่านกระบะนอนตรงเนี้ยโอ้แล้วก็หามุ้งมากางให้ท่านนอนตรงเนี้ยอในศาลาเลยท่านเรียบง่ายนะครับท่านง่ายได้ทํานไม่ยุ่ครับไม่ต้องจัดกระตกกะติให้ท่านลําบากตอนอตอนพระรัตนเพลิงของหลวงพุทธนิยโญผมก็มีโอกาสได้ได้ได้ได้ช่วยงานอืม สมัยรับราการอืมครั บ, ค, รบคนมากคนย่างมากคนคนมากทั่วสารทิศเดนเข้ามาเยอะครับท่านมีชื่อเสีย <c oughs> ครับเขาเ <c oughs> <c oughs> ขากลับนำเรื <ana> <c oughs> ขอข่าวจากทน่นี่คนอื่นได้เคียวแล้วคอ๋อไม่เป็นไรแล้วคนใหญ่มาก็มาแบบสบายๆ <c oughs> มีอะไรฟังก็ฟัง ไม่มีฟังก็นั่งสมาธิกันไปเพราะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเลยหารเรื่องแปลกๆคุยบ้างจะ <c oughs> คุยแต่เรื่องธรรมะรู้ๆหนึ่คนฟังบางทีก็เบื่อก็เลยมีมีอะไรสนทนาทำสนทนากันได้ก็ก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบครับจะได้รู้จักกันด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนเพราบางทีก็ไม่ค่อยมีโอกาส เองแต่มาก็ฟังเทศฟังธรรมรับศีลรับพรกันไปบันธรรมดาคนไม่มากมีอะไรก็เลยถามกันได้บ้างผมโบกกระผมขับรถมาโบกทำใจสงบผมเลยถามว่าทำทำใจสงบหรือยังพราะผมผมขับรถก็พูดโทไปอยากคิดเนี่ยทำใจสงบก็อยากคิดนั yeah. ่คือเขาก็บอกทำมาหาหลวงพ่อต้องทำใจสงบก็เออ เลยถามว่าคุณพามาทำเตศสงบกรือยังเคยได้หนังสือซีดีไปหรือยังยังยังเรียกอาจารย์พึ่งได้เงากับเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปหยิบไปแล้วนะของแจกของธรรมทานอันนี้มาประชุมเรื่องอะไรเลยเอาเอกสารไปส่งเอกสารไปที่ไหนเทศบาลไหน พี่อาการดีมีพอดีอยู่อ๋อเ็ดีพดีคนราชการนะครับอ่อพหบควบคุมอาคารออครับทำไมมาเกี่ยวข้องถึงลอยงเนี่คือพดีว่าเอ่อคือสารปกครองลอยงไหมคะจะมีจะคุมพื้นที่ไปถึงอ๋อถึงชาท้เาเลย ชาวบ้านก็ฟ้องวันฟองฟ้องเทศบาลเทศบาลก็อต้องทําทําเรื่องไปก็ต้องส่งสารละยองมาอ่านบทควานี้ก็ดูแลไกลเนี่ยดูแลกว้างไกายทั้งภาคตะวันออกกันแล้วสํานักการอยู่ที่จังหวัดระยอง เรื่อทางโลกมันก็ยุ่งหน่อยนะเอ่ยหลักฐานทางธรรมเพื่อความสบายใจนะทางธรรมก็อย่าอย่าไปยึดไปติดกับอะไรตายไปก็ไม่ไดใครเอาไปได้ไม่เป็นของใครหรอกไม่ได้เป็นของเทศบาลไม่ได้เป็นของชาวบ้านหรอกออมันเป็นของธรรมชาติแผ่นดินเผื่อนี้โลกใบนี้มันเป็นของธรรมชาติจ้ะ ดวงเราดวงวิญญาณมาจุติแล้วก็มายึดมาครอบครองกันแล้วก็มาแย่งกัน่ะถ้ามีธรรมะมันไม่ต้องแย่งกันห่ะกอยู่กันไปแบ่งกันไปเดี๋ยวก็ตายไปไม่มีใครเอาโลกใบนี้ไปได้ทุกคนอใช่ไหมแผ่นดินอั่นนี้ใครเอาไปได้ต้องให้มีที่ดินเป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่ก็มันก็เป็นเพียงแต่ เอกสิทธ์ทั้งในชื่อในในกระดาษทั้งนั้นว่าเป็นของเราแต่เวลาตายไปจริงๆใครเอาไปได้ไหมไม่มีใครเอาไปได้นะั่นแต่ร่างกายของตัวเองเอาไปไม่ได้น่าจะไปอะไรถ้ามีธรรมะอย่างนี้อยู่ในใจแล้วมันจะไม่วุ่นวายไม่ต้องไปทะเลาะบอกแวงกับใครหนูก็ได้ธรรมะของพระอาจารย์ค่ะหนุ่มมาหนก็วุ่นวายใจมากเออ ยังพูดได้พอมา ฟ, ฟังว่าได้ธรรมะพระอาจารย์แล้วทำให้คิดสงบขึ้นปัญหามาเหมือนเดิมแต่ว่ า, าไม่ไม่ไปไม่ไปยุ่กับมันเรามมก็ทำไปตามเนื้อผ้ามีอะไรก็ว่างกันไปแก้กันไปอดีขอให้ใจเราอย่าไปเอาแพ้ชนะกันอยอมแพ้ใครอยากจะได้อนะไรแพ ถ้าเขาเป็นสิทธิ์ของเขาก็ให้เขาเอาไปอไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็เอาไปไม่ได้เราก็ทําตามหน้าที่ไปเราต้องมองภาพจริงอในที่สุดก็ไม่มีใครเอาไปได้ของทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นของใครนหรอกอยู่กันเพื่อให้ใจสงบ าอยู่แล้ววายใจก็แสดงว่าโง่แล้วไม่มีความสุขถึงแม้จะมีอะไรมากมายเพียงไรก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่มีมีอะไรอยากจะถามไหมล่ะไม่มีไม่เงียบครับบางทีก็จุดหนึ่งที่ยังพะวงอยู่ ในในนั้นก็คืออายุตอนนี้ห้าสบเจ็ดห่วงแต่คนข้างหลังจะลูกแค่ั้นว่าเวลาวันหนึ่งเราไปแล้วเขาจะดูแลตัวเองก็ได้ในทวงก็ยังตกมันว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกๆของเราจะจะอยู่ใน ใช้ชีวิตรับกังสามารถแล้วก็ใช้ชีวิตไ ด, ได้ได้ได้รอดปลอดภัยนี้ห่วงแย่งเดียวมันก็ไม่มีแค่ไม่มีอะไรแน่นอนนะที่วิถ <ฮะ S 1> ีขง ค, คนเราก็อยู่การกระทาของแต่ละคนถ้าทาดีอยู่ในศีลในธรรมในกอบของกฎหมายก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าไม่อยู่ในศีลธรรมไม่อยู่ในกฎหมายมันก็มีปัญหาตามมาเราก็มีหน้าที่ให้ความรู้กับเขาไปส่วนเขาจะเอาไปใช้หรือไม่นั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาห่วงห่วงห่วงก็ดีแต่ความห่วงก็ไม่สามารถที่จะไปอไปทําอะไรให้เขาดีหรือไม่ดี อยู่ที่ตัวเขาเองสิ่งที่จะทำให้เขาดีไม่ดีก็คือความรู้เนี่ยที่เราบอกเขาสอนเขาตอนเป็นเด็กแล้วก็ส่งไปเรียนหนังสือพาไปวดัดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาเกี่ยวเรื่องความผิดถูกดีชั่วไปโรงเรียนก็ไปเรียนวิชาความรู้ที่จะนำอาไปใช้ในการประกอบอาชีพเรี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราก็ทําได้แท่นี้แหละแล้วเขาจะเอาไปทําอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วห่วงยังไงต่อไปเขาก็มาเป็นเหมือนเราแล้ ว, ลวเขาก็จะไปห่วงลูกเขาต่อเขาไม่ห่วงเราเราก็ไม่ห่วงพ่อห่วงแม่เราใช่ไหมมันก็เดี๋ยวเขาก็แก่เหมือนเราเดี๋ยวเขาก็ตายเหมือนเราเราก็คิดไปก็ไม่มีหน้ต้องเป็นห่วงอัน เป็นเรื่องปกติของโลกของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายก่อนจะแก่เจ็บตายก็ดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างแล้วแต่การกระทาของตนแล้วแต่เหตุการณ์บางทีไปเจอเหตุการณ์ดีเจอโชคาลาภก็ร่ำรวยได้หรือได้นับตแหน่งใหญ่โต บางทีโชคไม่ดีไปเจ อ, อทุกขลาบทำการค้าก็เจ๊งทำอะไรก็ไม่เจริญจังหวะไม่ดีหรือว่าไม่ไม่ฉลาดรอบครอบทำอะไรแล้วไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่จะคาดหมายชีวิตมันก็อย่างนี้แหละขึ้นคลืนลงล ง, ลงไป แต่ในที่สุดก็เหมือนกันทุกคนนะก็แก่เจ็บตายมันเหมือนกันฉนะนั้นถ้าดูภาพรวมของชีวิตข อ, ของมนุษย์แล้วไม่มีอะไร น, น่าห่วงเพราะชีวิตของพวกเรานี่เป็นเหมือ น, อนตัวละครนะในโลกนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่ใครเป็นผู้กำกำับให้พวกเราเล่นบทต่า ง, างๆร้ไหมก็กรรมนี่แหละกรรมนี่แหละเป็นผู้กำกำับ กรรมเป็นผู้ให้กำเนิดกรรมเป็นผู้กำหนดให้เราเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นผู้ที่ท๊ะให้เร า, เาทําอะไรต่างๆแล้วก็ให้เราเป็นรับรับผลการกระทําต่างๆของเราพวกเรานี่เป็นเหมือนตัวละครมีกรรมกับเปนผู้กรรกับมาบอกเราว่ า, เ, าเล่นบทนี่นะ อายุตอนนี้ต้องไปหาคนนี้ต้องไปที่นั่นนะต้องไปทำงานที่นู่นต้องไปซื้อของอย่างนั้นซื้ออย่างนี้มันไม่เรื่องของกรรมนั่นแนหะมันกำหนดของมันไปกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จะเล่นบทไหนก็ตามก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน ถ้าเน่นบทดีก็มีความสุขใจถ้าเล่นบทไม่ดีก็มีความทุกข์ใจไม่มีอะไรจริงจังเหมือนโรงละครของทุกอย่างที่เราได้ในโรงนี้เหมือนของที่เราไปอได้จากที่ลงละครในโรงละค ร, ร, ร, ะครผู้กำกับบอกเออไปไปเป็นเจ้านายไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาก็จัดประสบปราสาทประจัดอะไรให้เราไปอยู่ ไอคนนี้ไปเป็นขอทานอ่ะเขาก็จัดให้ที่ไปนั่งขอทานแล้วเดี๋ยวตัวเราตายไปก็เหมือนกัเวลาละครจบเวลาละครจบ ก, ก็ไม่มีใครเอาปราสาทไปไม่มีใครเอาของอะไรไปในโลกนี้เหมือนเล่นละครพวกเราเป็นตัวมาเล่นละครพวกเราไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายนี่เป็นตัวละครที่ผู้กำกับเขาให้เรามาเล่นเราเป็นใจ เป็นผู้เชิดเชิดร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้เป็นเหมือนหุ่นเนี่ยเรามาเชิดสั่งให้ร่างกายหันไปหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาสั่งให้มันพูดสั่งให้มันทำอะไรนี้ใจเป็นผู้สั่งนะแล้วก็ผู้กากับที่มีอยู่ในใจเราก็คือกรรมมันก็สั่งสั่งให้เราไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้ มาเกิดนี่มามีความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบกินเหล้าก็ให้ไปมันก็จะสั่งให้ไปกินเหล้าบางคนชอบขมโมยมันก็จะสั่งให้ไปขมโมยบางคนชอบเที่ยวก็พาสั่งให้ไปเที่ยวบางคนชอบไปวัดมันก็สั่งให้ไปวัดบางคนชอบบวชก็สั่งให้ไปบวชไม่มีใครบังคับพวกเราใช่ไหมให้เราเป็นอะไรต่างๆมีใครบังคับให้เรามาเป็นพยาบาลน เราชอบเป็นพยาบาลเราก็มาเป็นพยาบาลผู้กำกับนั่นแหละบังคับเราคือความชอบความชังของเราเนี่ยแหละเป็นตัวกำกับเราชอบอะไรมันก็จะสั่งให้เราไปทำในสิ่งที่เราชอบเราเกลียดอะไรมันก็สั่งให้เราหนีไม่ให้เราไปหาสิ่งที่เราเกลียดเราก็เล่นไปเร า, เาจริงเราจังกัมันคิดว่าเป็นของจริงของจังได้นูน่นได้นี้มาก็คิดว่าเป็นของเรา ได้สมบัติได้ตำแหน่งมาได้สามีได้ภรรยาได้แฟนได้อะไรมาก็คิดว่าเป็นของตัวเองไม่คิดว่าเป็นของชั่วคราวเป็นโรงละครเรากำลังเล่นละครกันเดี๋ยวเวลาละครจบเราก็ไม่ได้เอาแฟนกลับบ้านเราไม่ได้เอาเข้าวของที่โรงละครไปด้วยเวลากลับบ้านเราก็ไปตัวเปล่า เวลาเราไม่มาเล่นละครแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาเอาตัวเปล่าๆมาที่โรงละครนี้คือโลกนี้เป็นเมือนโรงละครก็มีทุกอย่างให้เราหมดเลยให้เราเล่นกันไปเล่นกันไปแล้วเราก็ดีใจเสียใจไปกับบทของเราเวลาให้เล่นบทดีก็ดีใจกันได้เป็นนู่นได้เป็นนี่ได้คนนู้นมาเป็นแฟนได้คนนี้มาเป็นลูกได้อะไรก็ดีออกดีใจ แล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ให้เราเล่นบทเสียใจก็เสียแผนไปเสียลูกไปเสียสมบัติไปเสียสิ่งนั้นเสียสิ่งนี้ไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปเล่นละครยังหลงมันเนี่ยโลงนี้เป็นลงละครเรากำลังเล่นละครกันอยู่นวันนี้ตอนนีก้กำลังเล่นละครกันอยู่เราทำไมต้องไบวุ่นวายกับมันใช่ไหม ดูตอนต้นกันดูตอนจบสิตอนต้นก็คือตอนนี้เรามาลงละครเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ใช่นะเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรมามากว่าร่างกายนี้ก็เป็นของลงละครเขาเขาก็ยกให้เราอเอาร่างกายนี้ไปก่อนแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีฐานะอย่างนี้เริ่มเริ่มที่ตรงนั้นทังทีก็ได้ครอบครัวเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนาย บางทีก็ไปอยู่กับครอบครัวอปานกลางไม่ล่ำไม่รวยไม่อดไม่อยากบางทีก็ไปอยู่กับครอบครัวยากจนมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบทละครของแต่ละคนแล้วก็เล่นมันไปตามบทตามฐานะของเราเล่นไปแล้วเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายใช่ไหมใช่ไหมดู เราดูละครตัวละครอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยเห็นไหมเราเห็นตั้งแต่วันเกิดท่านนะท่านได้เกิดที่ต่างประเทศนพ่อปเป็นพยาบาลอย่ใช่ไหมพ่อกันเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยไปอยู่ที่โรงพยาบาลที่สารัฐน์นั้นไปเรียนต่อใช่ไหมพระราดบิดาไปเรียนต่อแล้วก็ไปตั้งคันอยู่ที่สารัฐน ไ, ไปคลอดที่นั่น แล้วก็ก็พอคลอดมาแล้วก็เล่นบทของของเด็กคนนั้นไปของร่างกายนั้นไปพ่อแม่พาไปไหนก็ไปด้วยพาไปอยู่ที่ไหนก็ไปพากรรมไม่อยู่เมืองไทยก็เป็นอ๋อจังหวะมันเหตุการณ์ก็ทําให้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ไม่มีใครคาดฝันว่าจะใครมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมพอถึงเวลามันก็มีเหตุการณ์พาให้มัน เป็นไปมันก็เล่นบทไปมันเป็นพระเจ้ามผ่นดินก็เล่นบทของพรเจ้าแผ่นดินไปทำภารกิจอะไรตามความชอบพระเจ้าแผ่นดินแต่ละองค์ก็มีความชอบไม่เหมือนกันบางองค์ก็ชอบเที่ยวชอบเล่นบางองค์ก็ชอบทํางานก็นแล้วแต่บทที่ท่านจะเล่นกันไปแล้วก็เล่นไปทําไปแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไป แล้วเอาอะไรไปได้บ้างตัวละครตัวนี้ตายไปมันก็จบพวกเราก็เป็นตัวละครเหมือนกันเราก็เล่นไปตามบทบาทตามความชอบความชังของเราเนี่ยสองตัวนีเน้เป็นตัวที่กํากับชีวิตเราเลยอะเวลาที่เราไปนู่นมานี่เพราะเราชอบเราถึงไปกันเวลาที่เราหนีสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เพราะเราไม่ชอบ บางทีเปลี่ยนงานเราไม่ชอบทางานที่นี่ชอบไปทำงานที่โน้นก็เปลี่ยนงานไปชอบอยู่กับคนนี้ไม่ชอบอยู่กับคนนั้ น, นก็เรื่องของชอบไม่ชอบนั่นเป็นตัวที่กำกับจิตใจของพวกเราให้เราเล่นบทต่างๆให้เราทำอะไรต่างๆถ้าไม่มีความชอบไม่ชอบมันอยู่เฉยๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้สบายจตายไป เพาที่ไหนไม่ก็เหมือนกันถ้ารู้ว่ามันเป็นโรงละครแล้วเนีัยจะไม่ต้องไปชอบไปเชิดกับเลยไปได้นั้นมันเหนื่อยใช่ไหมเป็นตัวดูดีกว่าเนี่ยนั่งดูละครมาสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไมัแต่นั่งดูคนอื่นเขาเขาเล่นกันเขาแสดงกัน <laughs> เรานี่นั่งดูนั่งดูเขาเล่นเนี่ยดูคนนี้ตังแต่เด็กเวยเนี่ยแต่ยังเรียนหนัสืออยู่ เรียนจบก็บไปมีสามีมีครอบครัวตอนนี้สามีก็ไปแล้วอเราไปบินอบาต ท, ที่บ้านเพเอตั้งแต่ตั้งแต่ปี30นี่นน30ปีแล้วเห็นเด็กๆที่ใส่บาทโตเรียนจบมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรก็ดู เ, เขาเล่นละครขเขาไป เราก็เราก็เป็นคนดูเราไม่ได้อะไรเราก็ได้แค่วันละบาดใท่านี้ไปบินตาบัสท่านมเห็นเราเปลี่ยนแปลงไปสามสิบปีก็เหมือนเดิมใช่ไหมก็เดินได้บินบาบัสวันละครั้งเจอกันวันละครั้งหนึ่งกลับมากินเสร็จก็นอนพักผ่อนก็มีบทให้เล่นเหมือนกันเนี่ยยาโยมาบังคับให้เล่นมบังคับไม่มา มาแสดงมาออกอากาศสดอันนี้เราไม่ไม่ได้อยากเล่นเองนั่นเนี่ยเขามาจัดให้เล่นไงต้งเล่นธรรมดาเมื่อก่อนไม่มีใครมาหาเราก็ไม่ต้องทาอะไรสบายกินข้วป่านอนกินน้ำบาตรใสกันอนเดินจงกรมนั่งสมาธิของเราเย็นกราบน้ำหนาวท่าเดินจงกรม อย่างสมาธินอนตื่นขึ้นมาก็เ บ, บินทบาตกิจวัตรของเราก็มีแค่นี้ก็เล่นแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฉลาดก็ไม่เล่น <laughs> พระเจ้าก็บินทะบา ท, ทุกวันแล้วก็เล่นเป็นบทอาจารย์สอนคนมาบังคับให้ท่านสอนท่านก็สอนให้ของใครมาหามาฟังเทศฟังธรรมได้ก็สอนตอนบ่ายก็สอนญาติโยม ตอนค่ำก็สอนเทวดาอตอนค่ำก็สอนพระเนรตอนเด็กก็สอนเทวดาว<ม>ุฒิยาท่านก็ไม่เล่นบทอะไร้ะท่านก็มีแต่เล่นบทอาจารย์อย่างเดียวสอนอย่างเดียวเ<ม>ช้าตื่นขึ้นมาก็บินตบาทแล้วก็กลับมาพักผ่อนสังขารร่างกาย<ม><ม>เดินจงกรมนั่งสมาธิเอาถึงเวลาสอนก็มานั่งสอนอมีแค่นี้ ชีวิตของคนดูไม่มีอะไรมากไม่เหมือนกับชีวิตของคนเล่นคนเล่นก็วุ่นวายไปกับการหานู่นหานี่กับการแก้ปัญหานั้นแก้ปัญหานี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่อยู่เฉยๆทาไมไม่เป็นคนดูกันชอบเป็นคนเล่นกันนะ <c oughs> ใช่ไหมอย่าเป็นเล่นเนยมันเป็นละครเนี่ยก็ให้เลือกให้จะเป็นคนดูก็ได้เป็นคนเล่นก็ได้ เ้าเป็นคนดูก็ไม่ต้องทำอะไรมีแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองก็พอละ ว, วันวันหนึ่งก็มีเท่า น, นั้นเอง <Yeah. S 1> แล้วก็ดูละครไปดูคนอื่นเขาเล่นไป <Yeah. S 1> ดูคนนั้นเขาเจาริญ <Yeah. S 1> ดูคนาา <Yeah. S 1> คนี้เขาเสื่อมอ <laughs> ดูคนนี้ดูคนนี้ได้เป็นมาได้เป็นนายกอ่ะสามปีไปแล้ว <Yeah. S 1> คนใหม่มาเ้็นไหอ่แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวอ่ะคนนี้ก็ตายไปแล้ว นายกคนนี้ตายไปแล้วเห็นไหมมันก็จบนองละครนะพวกเราเป็นตัวละครแต่เราสามารถเลิกเล่นละครได้แต่เราสู้ผู้กำกับไปได้ผู้กำกับมันสั่งแล้วเราต้องวิ่งตามมันสั่งทันทีเราต้องเอาชนะผู้กำกับให้ได้เราต้องฝืนคำสั่งของผู้กำกับให้ได้แล้วเราจะได้กลายเป็นคนดูได้ไม่ต้องมาเป็นคนเล่น ตอนนี้เราถูกกู้กำกับบังคับให้เราเล่นความชอบกับความชังเนี่ยเป็นผู้กำกับพอชอบอะไรเราอยู่เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมเห็นของสวยๆในร้านนึงต้องไปซื้อมาให้ได้นะหเห็นตำแหน่งที่เขามีเรารู้สึกมันโก้มันรูแลก็อยากจะได้แนละ้วเห็นอะไรไม่ชอบก็นหนีหนึอพยามกำจัดมันเปลี่ยนแปลงมัน มันกลายเป็นของที่เราชอบขึ้นมาให้ได้ก็ะลรวุ่นวายกับเรื่องของชอบเรื่องของรักเรื่องชังนี่แหละไม่ไนี่ อ, อะไรแต่ถ้าเรามาหยุดความรักความชังได้ความกลัวความหลงได้นี่สบายอยู่เฉยๆได้ <c oughs> วิธีที่จะทำให้รักชังกลัวหลงหายไปก็ต้องทำใจให้เป็นกลาง <c oughs> ใจเราตอนนี้ไม่เป็นกลางใจเรามันชอบเป็นรถที่ใสเกียร์ ถ้าไม่เข้าเกียร์หน้าเดินหน้าก็เข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์เดินหน้าก็คือเวลาชอบก็ใส่เลยเดินเข้าหาเลยเวลาชังก็ถอยเลยเข้าเกียร์ถอยหลังเลยแต่ไม่มีเกียร์ว่างหาเกียร์ว่างไม่เจอถ้าเรามีเกียร์ว่างเราไม่ต้องเข้าไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องถอยหลังจอดอยู่เฉยๆนั่นะสบายจะตายไปไม่ต้องดีไม่ต้องวิ่งเข้าหาอะไรอยู่ อยู่กับความว่างอยู่กับอยู่กับเกียรว่างนี่สบายใจของเรามีเกียรว่างแต่เราหาไม่เจอกันเราต้องมาหากันพระพุทธเจ้าเป็นคนพบเกียร์ว่างแล้วพบวิธีที่จะทําให้เราเข้าเกียร์ว่างได้ก็คือให้เราพุทโธเนี่ยการพุทโธนี่แหละเป็นการดึงเกียเข้าสู่เกียรว่างถ้าเราพุทโธพุทโธหยุดความคิดได้ใจสงบปั๊บมันก็เข้าเกียรว่าง เป็นอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเฉยเฉยเห็นอะไรก็ไม่รักเห็นอะไรก็ไม่ชังเห็นอะไรก็ไม่กลัวเห็นอะไรก็ไม่หลงเราต้องพยายามดึงใจเราให้เข้าเกี่ยว่างกันให้ได้ถ้าเข้าเกี่ยว่างนะียแล้วต่อไปผู้กำกับตัวรักตัวชังนี้จะไม่สามารถมากดดันให้เราไป ไปเล่นไปเต้นไปวิ่งไปทําอะไรกันอยู่เฉยมีความสุขเกียว่างนี่แหละเป็นที่ให้ความสุขแก่ใจจึงทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่เราชอบกันแต่วันนี้ที่เราไปหาสิ่ ง, งต่างๆเพราะเราชอบแล้วเวลาเราได้มาเราก็มีความสุขกันที่เราหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะสิ่งที่ไม่ชอบมันทําให้เราทุกข์กัน พอเราหนีจากมันได้เราก็มีมรู้สึกสบายใจขึ้นมาแต่มันหนีเดียว<ๆ>เดียวเดี๋ยวก็เจอมันอีกเดี๋ยวก็ไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบอีกเดี๋ยวก็ไปเจอสิ่งที่ชอบอีกมันก็ทำให้เราต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถเข้าเกี้ยงว่างได้เราไม่ต้องวิ่งเข้าหาอะไรไม่ต้องหนีอะไรเพราะเราเห็นทุกอย่างแล้วเราจะเฉยเฉย เป็นอะไรก็เฉยเฉยไม่ชอบไม่ชังยังไงก็ได้สบายอันนี้แหละทำให้เรากลายเป็นคนคนดูละครได้แทนที่จะเป็นคนเล่นละครอนนี้เราเล่นละครเพราะเราซื้ออำนาจของความชอบความชังไม่ได้ความกลัวความหลงไม่ได้ทำให้เราต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อมาแก้ความชอบความชังความกลัวความหลง ความทั้งหก็ไม่มีวันหมดความชอบมันก็ไม่หมดความชังมันก็ไม่หมดความกลัวมันก็ไม่หมดความหลงมันก็ไม่หมดมันก็สั่งให้เราทำนูน่นทำนี่ไปเราเวลาไม่ทำตามที่เราอยากจะทำไม่ได้ก็เสียใจไม่สบายใจเพราะเราลืมไปว่าเราเป็นตัวละครของที่เราได้มาก็ไม่ได้เป็นของเรา เดี๋ยวละครเลิกเราก็เอาของต่างๆที่เราได้มาไปไม่ได้อยู่ดีขอให้จำไว้นะว่าเราเป็นตัวละครเรามาได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนขุนที่เราใช้เล่นละครกันหรืออย่างที่เขาเล่นโขนเนี่ยน่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหัวโขนเอามาสวมใส่ทับใจเราอีกทีหนึ่งตัวแท้จริงของเราคือใจ นี่ใจเราไม่มีรูปร่างหน้าตาก็เลยต้องเอาหัวโขนคือร่างกายนี้มามาครอบมาคุมไว้จะได้รู้ว่านี่เป็นทศ ก, กัณฐ์หรือจะเป็น เ, เป็นฮนุมาน เ, าเป็นพระรามอันนี้ก็ร่างกายนี้แหละเป็นตัวละครใจเราเนี่เป็นตัวชักชักร่างกายเหมือนกับชักขุนเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายนี้ทําอะไรต่างๆ แล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้<ม>ก็แสดงว่าบทของเราจบละครเรื่องนี้จบ<ม>แต่เราก็ไม่เบื่อก็ไปเล่นลงใหม่ต่อย้ายลงเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปเริ่มใหม่แล้วก็ไปวุ่นวายแบบนี้เล่นมาไม่รู้กี่ล้านลงลนะไม่รู้กี่ล้านเรื่องนะละละครชีวิตของพวกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดก็เวียนว่ายตายเกิดตามโรงละครต่างๆตามโลกต่างๆโลกอาจจะไม่เป็นโลกกลมๆใบนี้ก็ได้โลกกลมๆใบอื่นก็น่าจะมีอยู่ในจักรวาลนี้เราอาจจะมาจากโลกอื่นก็ได้อาจจะมาจากโลกที่เจริญกว่าโลกเราก็ได้หรือหรือน่านหลังกว่าโลกเราก็ได้ แต่มันก็เหมือนกันแปลว่าไปโลกไหนก็เจอตัวละครเหมือนกันเจอตัวรักตัวชังเหมือนกันแล้วก็ไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับเขาแล้วก็ดีใจเสียใจไปกับสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสรับรู้กันเล่นละครไปตามตามบทตามผู้กำกับสั่งให้เล่น ใช่ไพอเขาตั้งให้เราเป็นผอขึ้นมานี่เราก็คิดว่าเราเป็นผอจริงๆขึ้นมาเลยใช่ไหอพอตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสก็คิดว่าเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมาจริงๆเลยเล่นบทเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเวลาเขาปลดก็น้าก็จอยเลยเราไม่ได้เป็นนะนะก็เวลาเขาตั้งเราก็คอยบอกเราเราไม่ได้เป็นเขาตั้งเราปล่อยเขาตั้งไปอ เขาให้เราทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำเพื่อเงินเดือนก็พอทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่อย่าไปหลงกับตำแหน่งว่าล้วเป็นนู่นเป็นนี่เราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำตามหน้าที่ตามเนื้อผ้าไปแล้วก็คอยเตือนว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องปลดเราไม่ปลดก็โยกย้ายไม่โยกย้ายก็เลื่อนตำแหน่งมันก็มีแค่นี้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้ น, นลงลง ถ้าไม่ยึดไม่ติดถ้ารู้ว่าเป็นบทละครแล้วมันก็เล่นไปอย่างสบายไม่ซีเรียสไม่เครียดกับมันแต่เราไม่สบายเพราะเวลาเราชอบอะไรเราก็อยากได้อยากให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วเวลาที่มันไม่อยู่กับเราเราก็เสียอกเสียใจ บางทีก็ต้องพยายามวิ่งเต้นกันต่อสู้กันเพื่อรักษาสิ่งที่เรารักเราชอบไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆ<ม>ก็เลยทุกข์กันเนี่ยที่มันทุกข์ก็ทุกข์เพราะเนี่ยทุกข์เพาเราต้องดิ้นรนกันต่อสู้กัน<ม>ทั้งๆ ท, ที่เป็นของปลอมนังนั้นเป็นของละครเป็นของลงละครไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสู้กันท่าเป็นท้าตายตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม่ตา่างบาปเดียว จเจ้าถึงสอนให้เราเลิกถึงความตายบ้างจะได้คลายความหลงได้ว่าความตายก็เหมือนกันบบทละครของเรามีวันจบเนอะมันเป็นโรงละครนะั่นะนี่ที่เราเล่นกันเนี้ไม่ได้เป็นของแท้ของจริงอะไรหรอกนะจำไว้นะต่อไปนี้พวกเราเป็นตัวละครนะั่นะนี่เรามีผู้กํากับก็คือความรักชังโกลหลงเนี่ย ที่เราจะต้องอสู้มันให้ได้ทำลายมันให้ได้วิธีจะทำลายมันก็ต้องหัดนั่งสมาธิกันน่นั่งสมาธิได้ก็ต้องมีพุโทโธพุธโทโธมีสติคอยหยุดความคิดต่างๆความคิดนี่แหละมันทำให้ใจเรารักเราชังเรากลัวเราหลงคิดถึงสิ่งที่เรารักก็ชอบคิดถึงสิ่งที่เราชังก็ชังขึ้นมาคิดสิ่งที่เรากลัวก็กลักวขึ้นมา ถ้าเราไม่คิดแล้วมันก็จะไม่กลัวมันไม่รักไม่ชังพยายามหัดพุดโทโธพุโทโธไปมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิให้จิตตกหลุมตกบ่อให้ได้พอมันตกหลุมตกบอ่อมันก็จะเข้าสู่อุเบกขาตอนนั้นความรักชังกลัวหลงก็จะหายไปนี่ก็เหลือแต่ความสุขความสบายใจความอิ่มใจเป็นผู้ดูได้แล้วไม่ต้องเล่นละครแล้ว ดูอย่างสบายมีความสุขอถ้าเป็นเ e, ก้าอี้ก็เก้าอี้ชั้นหนึ่งนั่งดูละครมีหน้าที่เพียงแต่เลี้ยดูร่างกายเท่านะั้นถึงเวลากินก็ให้มันกินถึงเวลานอนก็ให้มันนอนถึงเวลาอาบน้าก็อาบให้มันไม่ต้องไปเล่นบทละครต่างๆไม่ต้องไปเป็นนายกไม่ต้องไปเป็นเป็นอะไรต่างๆที่ เ, าเราที่เราเป็นกันอยู่นี้ไม่ต้องไปเป็นให้มันเหนื่อยเบ หัดฝึกสมาธิให้ได้แล้วจิตสงบแล้วจะจะสบายจะไม่ต้องดิ้นหลนไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องเหนื่อยกับการดูแลรักษาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบดูแลถ้าเป็นแทบตายเดี๋ยวก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเอามาเอาเวลามาทำใจเราให้สบายดีกว่า ใจสบายแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเล่นบทอะไรทั้งนั้นเล่นบทดูดีที่สุดคนดูละครนี่สนุกกว่าคนเล่นไ้ยคนเล่นนี่เหนื่อยนะคนดูนี่ดูแล้วก็หัวลอกไปดูแล้วกไห้ะตามไปสงสารคนเล่นเอาแล้วนี่ยวันนี้ธรรมะแค่สั้นๆเนี่ยให้สติสตังให้รู้ว่าชีวิตของเรานี้เป็น ตัวละครนะเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องนี้เป็นลงละครเราเอาอะไรไปไม่ได้หรอกอย่งอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปหลงกับมันอย่าไปเป็นบ้ากับมันเรามีหน้าที่อยู่อย่างสบายก็คือเรื่งดูร่างกายไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอละส่วนจิตใจก็มาทำให้มันเป็นกลางให้ได้มันเป็นอุบเบกขาแล้วมันจะได้ไม่ต้อง ถูกผู้กำกับคือความรักชังกลัวหลงคอยสั่งให้ไปทำอะไรต่างๆให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆถ้าใจเราเป็นกลางแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรเหมือนใจของพระพุทธเจ้านพระสาวกทั้งหลายใจของท่านเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงท่านเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเล่นลครใหม่ ถ้าพวกเรายังมีรักชังกลัวหลงอยู่พอละครโรงนี้จบก็ไปเล่นโรงใหม่ต่อเพราะยังรักยังชังยังยั ง, ยงกลัวยังหลงอยู่เอาแ้นะจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกาปติ อิติตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโุสังกปาจันโทปนาระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานุสัพปะโรโขวินัสตุ มาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีคายยโปภวะอภิวาทานสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมมาวทานติอายุวโนสุขังพาลาง เสร็จไปนะสบายใจแล้วนะอย่าหลงนะเราเป็นตัวละครเล่นไปทำงานไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแค่แค่นี้ก็พอโความสุขอยู่ที่ความความว่างของใจความเป็นกลางอุเบกขาไม่ได้อยู่ที่ความรักความชังอย่าไปคิดว่ารักอะไรแล้วได้มาเราจะมีความสุขมันเดี๋ยวมันกลายเป็นความทุกข์ไปนะของที่เรารักเนะี่ย เวลามันสูญไปมันจากไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่าไปยึดไปติดอย่าไปหลงกับอะไรอวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เนี3 5สามร้อยห้าสิบเจ็ดคอยูยุดงปิดสามหกสิบสามจารานมาอยังยังค่ะตรงนี้ก็ยั ง, ยง มีอะไรไห ม, มอ่าว่ามาเลยคำถามทาง YouTube จากคุณวีระพรค่ะพบพระพุทธเจ้าคืออาการความสงบของใจที่ไม่มีรักชังกลัวหลงใช่ไหมคะก็เป็นการพบพระพุทธเจ้าในระดับแรกเวลาจิตสงบก็จะเห็นว่าจิตของพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ แต่ความสงบในเบื้องต้นนี้ยังเป็นความสงบที่ยังความรักชังกลัวหลงยังไม่ได้หายไปอย่างถาวรหายไปชั่วคราวหายไปในขณะที่อยู่ในความสงบพอจากความสงบมาความรักชังกัวหลงก็ยังออกมาทา ง, งานต่อได้ถ้าต้องการกําจัดมันอย่างถาวร น, นี่ต้องใช้วิปัสสนาต้องใช้ปัญญา มองให้เห็นว่าเราเป็นเพียงตัวละครเราไม่ได้อะไรจากความรักความชังความกลัวความหลงทุอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับอะไรด้านนั้นอ่ะมันจะได้กาจัดอย่างถ้าวนตอนนี้เรายังหลงว่าเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนนู่นเป็นคนนี่อยู่ต้องเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเราเป็นตัวรู้เท่านั้นเอง ตัวดูละครแต่เราหลงไปเล่นละครกับเขาเราต้องสอนใจว่าเราเป็นเพลงตัวดูตัวรู้เราไม่ใช่ตัวรักตัวช่างตัวกลัวตัวหลงตัวดูตัวรู้เนี่ยเราจะตึงออกมาอย่างไรก็เนี่ยเวลาเข้าไปในสมาธิมันก็จะเจอตัวนี้แล้วพอเจอแล้วเวลาจากสมาธิมาก็คอยเตือนใจว่าให้อยู่กับตัวนี้ให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวรักตัวช่างตัวกลัวตัวหลง ให้รู้เฉยๆใครด่าก็ให้รู้เฉยๆใครชมก็ให้รู้เฉยๆอย่าไปรักไปชังกับสิ่งที่เขามามาบอกเราตรง น, นี้ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจออกมาว่าเราเป็นเพียงตัวรู้เราไม่ใช่ตัวรักตัวชงังตัวกลัวตัวหลงต้องไปเจอตัวนี้ก่อนต้องเข้าไปในสมาธิก่อนถึงจะไปเจอตัวรู้ขั้นไหนถึงจะ ก็อัปปนาสมาธิพุโทโธพุทโธไปจนมันตัดลุมตกปอแล้วก็นิ่องทุกอย่างหายไปตัวรักตัวช่างตัวกลัวตัวหลงหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้แล้วก็จะรู้เนี่ยคือตัวเราที่แท้จริงคือตัวรู้นี่พุโทโธเนี่ยตัวรู้คือพุโทโธผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตัวรู้นี่แต่นี่ยังเพียงแต่เห็นขั้นสมาธิ ต้องเห็นขัน้นปัญญาต้องเห็นว่าถ้าไปรักไปชังแล้วมันทุกข์ถ้าไม่รักไม่ชังแล้วมันไม่ทุกข์พอะรักชังแล้วมันจะมีตัณหาขึ้นมามีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมาถ้ารักก็อยากได้ถ้าชังก็อยากทิ้งพออยากแล้วมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่รักไม่ชงังต้องไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากทิ้ง ก็ให้รู้เฉยๆเวลาใครดา่าเราก็อย่าไปอยากให้มันหยุดเวลาใครชมก็อย่าไปอยากให้ชมเรื่อยๆมันจะชมจะด่าก็เรื่องของมันแต่เรื่องของเราก็คือให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารับรู้ตอนนี้เรามันปฏิกิริยาชอบปฏิกิริยาพอได้รับรู้สิ่งที่ชอบก็ก็อยากดีใจพออยากให้เขาเป็นอย่า ง, งานั้นทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พอไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากก็หยุดพอเขาไม่หยุดก็ทุกข์เวลาอยากมันก็ไม่หยุดพอเขาเขาหยุดก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะพูดเขาจะด่าเขาจะชมก็เรื่องของเขาเราก็รู้ไป anto, มันเป็นเรื่องของเขาเขาด่าก็ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรือเขาชมก็เรื่องของเขามันก็ปากของเขามันไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยนแต่เราไปชอบไปชังเขามันก็เลยเกิด ความอยากขึ้นมามันก็เลยทุกข์ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเห็นอริยสัจเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราที่ไปรักไปชอบสิ่งที่เราม า, มาสัมผัสถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่รักไม่ชอบเฉยๆไม่อยาก mm hmm. เขาจะทำไงก็เรื่องของเขาเขาจะพูดเขาจะชมเขาจะด่าก็เรื่องของเขาเรารู้เฉยๆแล้ว เ, เป็นตัวรู้ เราอยาไปเป็นตัวรักตัวชังออันนี้ต้องใช้ปัญญาแล้วต่อไปมันจะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหามันก็อยู่แค่ตรง น, นี้เราทุกข์ไปกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ใช่ไหมเห็นคนนั้นทําอย่างนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นมาหรือดีใจขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ทําถูกใจเราก็ไม่ถูกใจเราถ้าเราเฉยๆก็ไม่ต้องไปถูกใจแล้วไม่ถูกใจมันก็ไม่มีปัญหาเลย ค<ม>ำถามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณชุตินันท์ค่ะลูกชายเป็นคนชอบเถียงจะแก้ไข ย, ยังไงดีคะว่าอะไรเป็นต้องเถียงให้ชนะให้ได้คะ่ะก็แก้ที่เราสิอย่าไปชอบให้เขาไม่เถียงสิก็ปล่อยก็เถียงไปไปแก้เขาทำไมเหนื่อยเปล่าเปล่าเนีย่ยเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างเห็นไหมไปรักไปชังแล้วเปไ็นไงทุกตรงเขงเข้าวามมาถามวิธีแก้แล้วต้องแก้ที่ใจเราอย่าไปแก้ที่ลูก แก่ลูกคนนี้เดี๋ยวอีกลูกคนหนึ่งมันก็เถียงอีกอ่ะใช่ไหมไอ้ลูกคนนี้แก้มันวันนี้มันไม่เถียงเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอยากจะเถียงมันก็เถียงขึ้นไปอีกเราต้องมาแก้ที่ใจเราว่าอย่าไปอยากให้มันไม่เถียงต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันมันชอบเถียงก็ไปมันเถียงไปเลยมันเถียงเราก็หยุดไปให้มันเถียงให้พอเราใหญ่กว่ามันเราไปกลัวมันทําไมเราก็อย่าให้มันขนมมันก็หมดเรื่องมึงเถียงกูมันก็ไม่ต้องกินขนมเลยเดี๋ยวมันก็หยุดเถียงเองอ่ะใช่ไหม อใช้ปัญญาสิคำถามจากคุณโกวิธีทําบุญแบบไหนได้บุญมากกว่ากันครับหลวงปู่ท่านหนึ่งบอกว่าโยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัดให้โยมเอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัดจริงหรือเปล่าครับมันก็แจะว่าจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้มันก็ได้บุญเหมือนกันเนะี่ยที่มันอยู่ที่ว่าที่ไหนจําเป็นกว่ากันเข้าใจไหม ถ้าที่บ้านจำเป็นกว่าก็ดูแลที่บ้านไปก่อนถ้าทุ่บ้านไม่จำเป็นแล้วก็ไปดูแลที่มันจำเป็นต่อไปถ้าที่วัดจำเป็นก็ไปดูที่วัดมันต้องใช้เหตุใช่ผลไม่ใช่ไปทำบุญที่เขาไม่จำเป็นแลใส่บาตรทั้นล้นแล้วไม่รู้ล้อนอีกก็ยังไปใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นไปใส่บาตรที่มันไม่มีข้าวใส่สิที่ไหนเดือดร้อนก็ไปช่วยหรือไปดูแลกันที่นั่นเห็นไหมมัน มันอยู่ที่ความจําเป็นมันเป็นทานเหมือนกันเป็นการทําบุญได้บุญเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการทําบุญของเราบางทีไม่เกิดอ่ะเหมือนก็เลยมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์เท่นั้นเองแต่มันก็ยังเป็นบุญอยู่เราไปทําบุญนี่ไหนเราสละเงินทองก้อนั้นไปแล้วมันเป็นบุญสําหรับเราแล้วเป็นแต่เงินทองก้อนั้นมันจะไปทําประโยชน์ได้หรือไม่เท่นั้นเองบางทีมันไม่ไปไปทําประโยชน์ แ้วดีไม่ดีมันอาจจะไปทําโทษก็ได้เอาไปทําบุญกับคนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไปซื้อเหล้ากินอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นโทษขึ้นมาฉะนั้นก็ต้องดูเหตุผลว่าเราควรจะไปทําที่ไหนดีคําถามจากคุณสิ่งดีๆค่ะเราเคยทําผิดพลาดในเรื่องที่เราไม่สามารถแก้ไขได้มันตอบย้ำอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่เราไม่ตั้งใจทาําลาด มีคนคอยตอกย้ำและท้ำเติมเราเราควรทำอย่างไรคะพระอาจารย์ก็ควรจะใช้มันมาเป็นบทเรียนก็ดีมีคนคอยตอกย้ำเลยเราจะได้ไม่ลืมว่าเราทำผิดพลาดไปอันนี้เป็นบทเรียนที่เราควรจะจดควรจะจำไว้ยิ่งคิดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะได้ไม่ไปทำผิดอีกงั้นอย่าไปกลัวคําผิดพลาดที่เราทำมาคือหนึ่งเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นลบมันออกไปไม่ได้ แต่ถ้าเราจํามันได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตเราจะได้ไม่ทําผิดพลาดซ้ำสองใช่ไหมคำถามจากคุณนิวเวลานั่งสมาธิสามารถหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือเวลานอนในการภาวนาหันหัวไปทางทิศตะวันตกได้ไหมคะไปทิศไหนก็ได้ทั้งนั้นแนหะไม่มันไม่เกี่ยวจิตมันไม่มีทิศหรอก ไอทิศจะเป็นที่ร่างกายแล้วเราก็ถือทิศกันว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทิศไหนเราก็ต้องหันหน้าหันศีรษะไปทางทิศนั้นอันนี้เป็นการแสดงความเคารพอย่างพระสาวรีบุด้วยใครไม่ทราบเวลาท่านนอนนีท่านจะหันศีรษะท่านไปทางที่ทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เสมอเป็นการสํานึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าแสดงความคารวะความเคารพนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณท่านนั้นเองมันเป็นเรื่องของจิตใจ เรื่องของการแสดงออกของความกตัญญูกตเวทีความเคารพนับถือในบุคคลที่มีพระคุณกัเราคำถามจากคุณใจบริสุทธิ์ค่ะการมารมแก้ไขให้ร่างยังไงครับก็ดูสิ่งที่มันทําให้มันดับเลยอะไรจะทําให้การมาลมดับดูอุจจาระของคนดูเลยดูปัสสาวะดูตับไตไส้พุงดูคอกระดูก ดูซากศพถ้าดูพวกนี้แล้วการมารดมมันก็จะดับไปคําถามจากคุณนาลาค่ะเวลาเห็นคนทำร้ายร่างกายคนอื่นเราควรวางจิตอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของคนอื่นของไงมันไม่ได้เรื่องของเราแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่ใช่ร่างกายของเรางแม้ร่างกายเราถูกทำร้ายก็ต้องเม้าว่าเหมือนกับร่างกายของคนอื่น ร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็ทำใจเฉยๆไปเท่านั้นเองถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ต้องทำใจทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่ทุกข์ใจไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันเวลาเห็นคนอื่นเขาถูกทุบถูกตีก็เรื่องของเขาเราจะทำไงได้ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ไปช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็กต้องทาใจ คำถามจากคุณพิมพรหนูเฝ้าดูจิตของหนูว่าช่วงนี้หนูมีความสุขมีความสุขดีมากค่ะแล้วไม่โกรธง่ายเมื่อก่อนสามีหนูจะตะหวาดว่าหนูหนูก็จะโกรธโกรธข้ามวันข้ามคืนแต่ตอนนี้สามีว่าอะไรหนูก็ไม่โกรธทำไมหนูถึงมีใจที่เย็นไม่มีอาการโกรธเลยคะอย่างนี้จิตของหนูมีการสร้างปัญญาแก้ไขได้ใช่ไหมคะ ก็ลังดูว่าถ้าสามีไปมีมีหนูดูว่าจะโกรธหรือเปล่าลองถามตัวเองว่าแล้วท่านสามีไปมีหนูหนูจะโกรธหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆหนูถึงไม่โกรธหนูไม่มาเล่าให้ฟังนะว่าหนูทําอะไรเพราะมาฟังเทศฟังธรรมหรือเปล่าหรือว่านั่งสมาธิหรือเปล่าหรือมีสติหรือเปล่าส่วนนี้มันก็มีส่วน ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็ทำให้เราโกรธน้อยลงคำ ถ, ถามจากคุณสติปัญญาทำไมเวลานั่งสมาธิหรือใจเข้าหาธรรมะมักจะมีอาการคันเวลานอนเจ้าคะแล้วชอบได้ยินเสียงคอยมาเตือนให้โยมทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดแต่พอจะเลิกปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมาวกวน รบกวนหลวงพ่อเมตตาตอบด้วยเจ้าค่ะเขาเรียกว่ามารไงมารมาผจนกิเลสมารมกิเลสมไม่ชอบธรรมะพอเราจะเข้าหาธรรมะมันก็จะสร้างอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไปสนใจมันเราก็ใช้พุทโธเป็นตัวนำไปเลยพุทโธพุทโธไปมันจะคันหรือมันจะอึดอัดหรือมันจะอะไรก็อย่าไปสนใจมัน พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองหมดหัดแล้วนะเดี๋ววันนี้อาจจะได้เลิกเร็ววันนี้จะพูดอ <c oughs> <c oughs> ะไรก็นั่งไปไเรื่อยๆเดี๋ยวรอคำถามเข้ามาเรื่อย ก, ก็แล้วกันถ้าไม่มาก็นั่งสมาธิไป เหนื่อยมันรู้จะพูดอะไรนะพูดทุกวันทุกวันอันนี้มันมามามาช้ากว่ามนาะสัญญาณกว่า <c oughs> จะมาถึงมันต้องวิ่งไปรอบโลกกับมลก็ภาพชัดเียงชัดดีนะดดนอืม วันนี้ชาวต่างประเทศไม่รู้มีมากร้ยายนะคืออะไรส่งข้อความมาบอกหน่อยสิเราอยู่ที่ไหนกันบ้างการนี้คุณภาพเสียงภาพดีใช่ไหม <c oughs> ดีค่ะตั้งแต่ย้ายที่ตั้งใหม่ย้ายที่ตั้งสัญญาณใหม่รับสัญญาณใหม่เปลี <Be> ่ยนแพ็กเ <Be> ก็ตเปลี่ยนแพ็กเก็ตด้วย แล้ก็เปลี่ยนตัวน้อยหรือ่าแต่ไอตัวขยายเสียงสองตัวนี้ยังตัวเก่าอยู่ใช่ไห ม, หมเปลี่ยนใหม่ทั้งสองตัวแล้วนะของตัวเก่ามันเสียแล้วนะอีกตัวหนึ่งทําพลาจะเสียหรอคะทำไมมันเสียเร็วนัก น, น ะ, ะใช่ไม่ถึงปีตัวละกี่พันไปตัวเนี้ยสี 4, ่พกว่าสี่พันกว่าเนะี้ยเฉพาะตัวขยายเสียงเนี่ยนะอืม แต่ก็มีศาัทธาญาติโยงสนับสนุนกันของเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างไม่มีญาติโยงเขาเขาบริจาคมาให้หมดเลยไม่ได้เรียนรายไม่ได้อะไรเขาคอยถามคอยคอยบอกผูดดำเนินการเขาพอเขาขาดอะไรเขาก็แจ้งไปให้กับสปอนเซอร์วันซ่าก็จัดการส่งมาให้ทุกอย่างเลยนะค่าค่าอินเทอร์เน็ตก็มีสปอนเซอร์คนขอรับเป็นสปอนเซอร์ค่าโทรศัพท์มือถืออะไร ค่าซื้อเครื่องไม้เครื่องมือค่าเครื่องมีอย่างเดียวที่ไม่มีก็คือค่าแรงค่ะอาจ้างอ์นี้เป็นบุญค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นกับเท็กซัสภาพเสียงชัดเจนมากครับอ่าสาธุสาธุมีอะไรอยากจะถามไหมส่งคําถามเข้ามาได้นะญี่ปุ่นกับเท็กซัส มีคำถามจากคุณใจบริสุทธิ์เข้ามาค่ะอ่าเข้ามาเลยคำถามจากคุณใจบริสุทธ์ค่ะเว ล, ลานั่งภาวนาสติอยู่กับพุโทโธแต่ความคิดมันดูลงนั่นนี่มาเราจะทํำยังไงครับอย่าไปสนใจตามต้นนี้สติเรามีกําลังน้อยความคิดมันก็เลยยังไม่หยุดนะครับมันก็จะแข่งกันพุโทโธไปความคิดมันก็จะแข่งไปด้วยเราก็อยู่กับพุโทโธไปเหมือนแข่งรถอ่ะ เราก็ขับรถของเราไปเราไม่ต้องไปสนใจรถของคนอื่นเขาคนอื่นก็จะแซงไปก่อนว่าเรื่องของเขาเพราะตอนนี้รถเราเพิ่งเพิ่องออกใหม่ยังไม่ยังวิ่ไม่มีกําลังเราก็พยายามพุโทโธพุโทโธไปต่อไปถ้าเรามีกําลังมากขึ้นความคิดต่างๆมันก็จะค่อยๆจางหายไปเราจะเหลือแต่พุโทโธอย่างเดียวคำถามจากคุณสินี โยมฝึกสติแรกๆเห็นความคิดผุดขึ้นมาเรารู้ปุ๊บความคิดดับเดี๋ยวคิดใหม่พอรู้ปุ๊บความคิดดับสลับไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะมแล้วถ้ามีสติต่อเนื่องจะมีความคิดใหม่คะถ้ามันสามารถหยุดความคิดได้ก็ถูกต้องถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรามีกําลังไม่มากพอเราต้องสร้างสติเพิ่มขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันมีโอกาสได้คิดนะ ถ้าเราพุโทโธพุทโธไปมันก็จะคิดไม่ได้แล้วต่อไปพอมันคิดเราก็หยุดมันได้หรือมันไม่ขึ้นมาเลยคำถามจากคุณรักนะโลกทั้งใบให้ในคนเดียวค่ ะ, คะเวลานั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกหนักๆค่ะทำอย่างไรดีคะก็ะอย่าไปสนใจมันมันเป็นเรื่องของกิเลสสะมาลเวลานั่งดูหนังฟังเพลงมันไมไ่หนักนั่งกินข้าวนั่งดูละครมันไม่หนัก พอจะนั่งสมาธินี่มันสร้างอาการหนักขึ้นมาให้เราแบกขึ้นมาทันทีหนักอกหนักใจหนักอะไรไปต่างๆนั่นอย่าไปสนใจมันเป็นอาการของกิเลสหลอกเราเพื่อจะทําให้เราไม่อยากนั่ง <c oughs> มันอยากให้เราไปนั่งดูหนังฟังเพลงดีกว่าคนนี้อยู่อิตาลีค่ะ อ, อ่าอิตาลีนะ <c oughs> ภาพชันช้นเสียงชั้นเหมือนกันช <c oughs> ันค่ะ <c oughs> โอ้หลายประเทศนะมีเท็กซัส ญี่ปุ่ น, นอิตาลีที่ไหนอกช่วยรายงานมาหน่อยวันนี้อยากจะทราบาอังกฤษอังกฤษอ่าสี่ละสี่ประเทศแล้วคําถามจากคุณนาราค่ะสร้างพระพุทธรูปมีในพระไตรปิฎกไหมครับได้บุญอย่างไรครับไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้สร้างพระพุทธรูปพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธรูปไม่หเห็นเราถ้าอยากจะสร้างเราให้สร้างพระธรรมท่านบเราคือธรรมธรรมคือเรา ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราท่านอยากให้เราศึกษาธรรมมากกว่าอยากให้เราปฏิบัติธรรมเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาสร้างขึ้นมาในใจของเราแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําลายพระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของเราได้ถ้าเราสร้างพระพุทธรูปถ้าเกิดสงคารามถ้าศาสนาอื่นเข้ามานบกับเราเขาก็สามารถทุบทําลายพระพุทธรูปต่างๆที่เราสร้างได้ แต่ถ้าพวกเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเนี่เขาไม่สามารถที่จะทำลายได้แต่ที่อย่างที่เขาบอกว่าสร้างหูสรูปแล้วอันนี้คือเข้าใจแล้วเนอะใช่ไหที่ว่าไม่ต้องสร้างแต่ที่บางคนก็เข้าใจว่าสร้างแล้วเกิดชาติหน้าแต่สวยอะไรอย่างเงี้ยนกะ็เป <c oughs> ็นความเชื่อไงมันไม่ใช่ความจริงคือมันเป็นบุญใหญ่ก็ไม่ใช่เป็นความจริงมันก็ มันมันขัดกับคำสั่งของพุตตเจ้าอยู่แล้วไม่สร้างแล้วมันจะไปเป็นบุญได้ไงใช่ไหมเรวเห็นคือทุกวัดก็จะสร้างมันันเชื่อกันมาจนกระทั่งไม่มีใครกล้ามาพูดความจริงให้ฟังกันเนีมีเราเนี่ยมันไม่รู้บ้าพอคอแตกไงกล้าพูดกับเขาเพราะเราไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเราเราไม่ได้อะไรเราไม่เสียอะไรเราก็เลยพูดไปตามความเป็นจริงได้ ก็ในสมัยพระพุทธการมีภาพรูปหนึ่งเขาเขาปั้นรูปของพระเจ้าขึ้นมาแล้วไปถวายพระเจ้าบอกไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นเพียงรูปปั้นเท่านั้นเองคํามจริงสมัยยุคแรกๆสมัยพระพุทธการนี้ก็ไม่มีพระพุทธรูปแล้วหลังจากนั้นตายหลังจากที่พระเจ้าตายไปไม่เป็นู้กี่ร้อยปีก็มีอิทธิพลของพวกปลีกเข้ามาพวกปีกนี้ก็ชอบสร้างเทวะรูปกัน ชาวพุทธเราก็เลยเอาแบบพวกกรีกที่เข้ามาในประเทศอินเดียอิที่ผลของพวกกรีก mm hmm. ก็เลยเห็นพวกกรีกเขามีพระมีเทวลูกก็เลยเราก็เลยอยากจะมีพุทธลูกขึ้นมา mm hmm. ก็เลยมีการสร้างพองพุทธลูกขึ้นมาแล้วก็มีการโฆษณาว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญโตอะไรขึ้นมามัน mm hmm. ไม่เป็นอะไรแร้วคา mm hmm. ถามจากคุณพินแคน เมื่อเราพบเจอใครที่ทําให้ทุกใจนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงหรือเปล่าคะแม้แต่คนใกล้ชิดนั่นแหละจริงคนใกล้ชิดนะล่ะตัวเก่าช่องนายเวรแท้จริงลูกเออยสามีเออยภรรยาเออยอันนี้แหละพ่อแม่เออยเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรทนั้นเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาเนี่ยจะไม่แผ่แบบนั่งอยู่คนเดียวแผ่สวดยังยังไม่ได้แผ่เวลาเจอหน้ากันเนี่ย เวลาโกรธกันเนี่ยต้องแพลแล้วคาถามในอินบ็อกซ์จากคุณสุรัตค่ะเป็นคนโมโหง่ายใช้พุทโธแก้ได้ไหมคะก็ได้ในระดับหนึ่งแต่อาจาย์ดีกว่าก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือว่าหาสาเหตุของความโกรธว่าเกิดจากอะไรความโกรธก็เกิดจากความอยากของเรานี่แหละอยากให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ทําเราก็โกรธอยากจะได้อะไรแล้วไม่ได้เราก็โกรธ ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่โกรธวิธีที่จะไม่โกรธก็คือหัดทําใจให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดสัง่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเอาเข้าต้มมาให้ก็เอากอดข้าต้มก็ได้อย่างนี้ก็ไม่โกรธเข้าใจไหมความโกรธก็งเรามันอยู่ที่ความอยากของเราอยากได้แต่ต้องต้องต้องเปลี่ยนใจได้อยากให้ได้อย่างนี้นละ้วพอเขาให้อย่างนั้นมาเอาเปลี่ยนใจว่าไม่ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ก็เอา อย่างนี้ก็จะไม่โกรธทำใจให้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับความอยากของเรา อ, อยากเราได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้อยากเป็นนร้อยเขาให้เป็นนายสิบเอ้านายสิบวเอาในสิ บ, ะสบวบะเป็นก่อนอ <c oughs> ก็จะไม่มีความโกรธคำถามจากคุณสิ่งดีๆค่ะ <c oughs> เวลาเราไปทำบุญกรวดน้ำแผ่เมตตาแล้วให้กับคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ เพืจะได้ไม่ต้องพบกันอีกแต่พอแผลไม่ตาให้ทุกครั้งจะต้องมาเจอกันทุกทีแต่ว่าเขาได้สิ่งที่เราแผลไปหรอคะไม่ใช่แสดงว่าเรายังไม่ได้แผลเราต้องแผลตอนที่เจอกันสิเจอกันเตรียมขนมให้เขาเตรียมเงินใส่ซองไว้พี่วันนี้มันเกิดอขอขอแจกของให้หน่อยอะไรนี้เตรียมดอกไม้เขาเตรียมของให้เขา เวลาเข้ามาก็มอบให้กับเขาอันนี้แหละแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นเพื่อนกันเองเนี่เป็นชอบแผ่เมตตาคนเดียวทําบุญเสร็จแล้ว ก, กวดน้ํามันคนละเรื่องกันมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเวลาที่เราพบปะกันเวลาที่กําลังมีเรื่องกันนั่นนะเวลานะี้ยต้องแผ่ถ้าสมมติเราทําบุญบามากๆ อย่างบอกว่ามันเมือนก็เป็นการสะสมบุญอแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเราเกิดมาเราจะติดกับตรงนี้อเราจะติดกับบุญที่เราอยู่แล้วเราก็ถ้าเรารวยแล้วหรือเราเป็นศิษย์เราจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติภาวนาใช่เราไม่ได้ทําเพื่อให้เรากลับมารวยเยเราทําเพื่อให้เราจะได้ไปนิพพานกันการทําบุญนี่เป็นเหมือนกับถอนสมอเรือเนี่ยเรือที่จะพาเราไปนิพพานเนี่ยมันต้องถอนสม อ, อก่อน ถ้รารไม่ทำบุญเราไม่สลระทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็ไปไม่ได้แล้วก็ติดอยู่กับทรัพย์บัติแล้วก็พะเจ้าถไม่ถอนสมองไม่ทําบุญท่านก็ยังเป็นเจ้าชายอยู่ท่านก็จะไม่ท่านก็จะไปบวชไม่ได้การทําบุญที่แท้จริงนี่ทําเพื่อให้ไปบวชเข้าใจไหมแต่สมัยนี้เข้ามาแปลความหมายว่าทําบุญเพื่อให้กลับมารวยก็จริงอยู่สมแติว่าถ้าไปทําบุญแล้ว ยังไปไม่ถึงยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพระเวสสันดรเนี่ยตอนที่สมัยเป็นพระเวสสันดรก็ทําบุญอย่างยิ่งใหญ่พอตายไปก็ยังไม่ถึงนิพพานไปแค่ถึงชั้นสวรรค์เราเลยต้องกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะใหม่แต่เพียงแต่ว่าท่านไม่ติดทรัพย์สมบัติที่ท่านได้พอถึงเวลาที่ท่านต้องปทิ้งหมดเพื่อไปบวชท่านก็ทิ้งได้ถ้าเราทําบุญเพื่อไปนิพพานทําบุญเพื่อทิ้งเราจะไม่ติดกับสมบัติ แต่ถ้าเราทําบุญเพื่อ ย, ยึดสมบัติเพื่ออยากให้มีสมบัติมากขึ้นมันก็จะยึดกับสมบัติชาแนากลับมารวยกว่าเก่าก็จะยึดติดกับสมบัติก็จะไม่มีวันไปถึงพระนิพพานได้ในคนสมัยนี้ส่วนใหญ่มักจะทําแบบนี้กันนะทําเพื่อให้รวยกว่าเก่ากลับมาจะได้รวยกว่าเก่ามันก็วนเวียนมันก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยอย่างนีน้แต่อย่างน้อยมันดีมันไม่ไปเกิดในอบาย มันเกิดมาแล้วร่ำรวยสุขสบายเพราะว่าได้ทำบุญอยู่ทุกภพทุกชาติแต่มันยังไม่ทามันไม่ยอมทำแบบปล่อยหมดต้องทำแบบปล่อยหมดมีกี่ล้านก็ทิ้งหมดยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ไปบวชอันนั้นนะถึงจะไปนิพพานได้เราโชคดีเราวเวล า, าบวชนี่ไม่มีเงินเดียวแค่สามพันมีสมบัติอยู่แค่สามพันเท่านั้น โชคดีชาติก่อนไม่ได้ทําบุญมามา้างเลยไม่รวย <c oughs> <c oughs> จ้า น, นีไเลบวชง่ายๆถ้ามีทั้งร้านคงจะไม่ได้บวชแน่ๆควา <c oughs> จริงๆตอนต้องยังคิดอยู่ว่าถ้ามีเงินนี้จะไม่บวชหรอจะปฏิบัติแบบคารวะไปแต่เป็นคารวะปฏิบัติกับเป็นพระปฏิบัตินี่มันคนละเรื่องเลยเหมือนกับรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนีย่ยใช่ไหม เครื่องไม้เครื่องื อ, อยู่ยาหมอเหมือมันไม่พร้อมเหมือนกับที่โรงพยาบาลเนาะการปฏิบัติแบบคารวะกับการปฏิบัติแบบพระนีมนะ่มันก็แบบลักษณะนั้นเน่ะอ ะ, อะไรโชคดีที่เราไม่ได้ทําบุญมาบ้ากชาติก่อนมันเลยไ <laughs> ม่เหมือนมากมันก็เลยทําให้บวชได้ง่ายมีมาจากเยอรมันจากออสเตรียอ่าเยอรมันออสเตรียหกประเทศและตรงนี้ ไปอยู่ต่างประเทศที่ไหนบอกมาอีกนะวันนี้จะลองทำสติติดูหน่อยห <ers> กประเทศแล้วช่วยจับมันให้หน่อยนะเดี๋ยวลืมคำถามจากคุณนาราสมาธิแบบไหนละเอียดสุดคะอัปปนาสมาธิเนก็ไม่ไม่สุดแรละแต่เป็นนะเป็นสมาธิที่พร้อมที่พร้อมที่จะเอาไปสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาภาวนา สมาธิที่ละเอียดที่สุดต้องเป็นอรูปฌานสี่หรือเ็าเรียกว่าอะไรนิโรธสมาบัติอันนั้นนะละเอียดที่สุดแต่มันก็เป็นเพียงสมาธิเป็นเพียงความนิ่งของจิตเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีความจาเป็นที่จะต้องนิ่งขนาดนั้นนิ่งขนาดรูปฌานสี่คืออปนาสมาธินี้ก็พอที่จะไปใช้ต่อสู้กับกิเลสคือความรักชังกลัวหลงได้แล้ว ไม่ต้องไปละเอียดถึงขั้นกับนิโรธสมาบัติสมาธิมีเก้เก้าขั้นด้วยกันนะรูปฌานสี่อรูปฌานสี่แล้วก็นิโรธสมาบัติแต่พระเจ้าสอนให้ไปแค่แค่รูปฌานสี่ที่อุเบกขาที่เรียกอัาปนาสมาธิพอแล้วแล้วพอออกมาก็ใช้ใช้อุเบกขานี่มาต่อสู้กับความรักชังกลัวหลงได้หยุดชวามอยากต่างๆได้ ดับความทุกข์ต่างๆได้และไม่ต้องไปถึงขั้นนิโรธสมาบัติจากมาเลเซียอีกประเทศค่ะเจ็ดแล้วมาเลยเจ็ดแล้วคำถามจากคุณนัทชนนค่ะโยมพุทโธจนเหมือนไม่หายใจไม่มีตัวและมีปิติมากแต่ไม่สว่างครับกลับมืดจะผิดทางไหมครับและถูกต้องหรือเปล่าครับและทำไมถึงไม่สว่างครับอ๋อสว่างไม่สว่างไม่สาคัญม่ มันได้เป็นผลหลักที่เราต้องการผลหลักก็คือให้เราตกหลุมตกบ่อมันยังไม่ตกหลุมตกบ่อก็พุโทโธต่อไปแล้วพอตกหลุมตกบ่อแล้วมันก็จะเข้าสู่เบกขาเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขเข้าไปที่ตัวรู้ผลที่เราต้องการเราต้องเห็นตัวรู้ท่านเองอย่างอื่นไม่สําคัญเห็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้บางทีก็มีแสงสว่างบางทีก็ขนลุกซ่า ปิติน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้ก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่จลิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายหลักก็คือให้จิตเป็นอุเบกขาว่างสัคตะวารู้เนี่ยหรือแต่ตัวรู้เราจะเห็นว่าสัคตะวารู้นี่คือตัวรู้นี่คํถาถามกักคุณต่อหลายๆครั้งเดินเดินอยู่รู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่สิ่งที่เห็นตรงหน้าหรืออยู่กับสติ และจะมองเห็นร่างกายแยกออกมาเหมือนมันเดินเองโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเห็นไงไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเห็นแบบนี้ต้องเห็นแล้วต้องรู้ว่าผู้เห็นกับผู้ที่ถูกเห็นเป็นคนละคนกันคือผู้เห็นก็คือใจร่างกายก็คือผู้ที่ถูกเห็นให้รู้ว่าเป็นสองคนกันเป็นคนละคนกัน ผู้เห็นไม่ควรที่จะไปตื่นเต้นตกใจกับผู้ที่ถูกเห็นเพราะผู้ที่ถูกเข็นก็เหมือนคนอื่นที่เราเห็นนี่ <universities. S 1> เขาจะเป็นตายร้ายดีมันก็ไม่ได้มาทําให้เราเป็นตายร้ายดีไปกับเขาร<อ><อ>่างกายมันจะเป็นตายร้ายดีอย่างไงมันก็ไม่ได้มาทําให้ใจเราเป็นตายร้ายดีไปกับมัน<อ>ให้เห็นแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบว่าปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวกับความเป็นไป ของร่างกายร่างกายจะเป็นตายรายดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามได้ป้องกันได้ก็ทำไปถ้ามันทำไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปให้เห็นแบบนี้มีเพิ่อมอีกไหมมีเยอะเลยค่ะมาหมายถึงประเทศเลยแปดนะถามมาคำ ถ, ถามจากคุณสุธาเลศค่ะอนาตากับสุญญาตาต่างกันอย่างไรครับ คำว่าอนัตตามาแก้คำว่าอัตตาไงเรามักจะลึกถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราใจเป็นตัวเราเราต้องใช้อนัตตามาแกเพระเจ้าว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราใจก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟใจเป็นตัวรู้ธาดรู้ร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟใจเป็นธาบรู้นี่มาแก้ตัวอนัตตาตัวอัตตาที่เราจะไปคิดว่า ร่างกายเป็นตัวเราเป็นเราใจเป็นเราเป็นตัวเราเราต้องเอาอนัตตามาแก้พราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นความจริงร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตุรู้ส่วนสุญญตานี้แปลว่าความว่างความว่างที่นี้ก็คือใจที่ว่างจากความอยากความโลภความโกรธความหโงที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาในใจเวลาไม่มีความ ไม่มีไม่มีโรคกรดหลงใจก็จะว่างเป็นนิพพานขึ้นมานิบานังปลมังสุญญ์ยังใจว่างจากความทุกข์จากต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆท่อง <c oughs> ถามจากคุณสติปัญญาเวลานั่งสมาธิลมหายใจหายเจ้าค่ะเวลาออกจากสมาธิลมหายใจก็เบาจับลมหายใจที่จมูกไม่ได้เลยเจ้าค่ะ เหมือนคนไม่มีลมหายใจตลอดทั้งวันเพราะเหตุใดคะเพรามันสบายมันใจมันไม่วุ่นวายใจมันสงบมันก็เลยหายใจไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แรงก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาตามใดยังไม่ตายก็ใช้ได้อย่าไปสมใจอย่าไปกังวลกับมันให้มากังวลว่าใจเราสบายหรือเปล่าดีกว่า <c oughs> ใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ดีกว่าเรื่องของร่างกายบางทีเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ มันมันจะหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้าหายใจยาวหายใจหยาบ ห, หรือละเอียดก็รู้ต่างความเป็นจริงของมันไปคำถามจากผู้วจารณ์งออกนามค่ะพุทโธนันเกินห้านาทีก็ยังไม่ตกหลุมตกบ่อ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรบางทีนานเกือบสามสิบนาทีทำอย่างไรดีคะเออบางคนเขาพูดโทรตัองยี่สิบปียังไม่ตอกลุเราพูดโทรหน้านาทียังทำไม่ได้ทำไม่ได้เรื่อยเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็ตกเองอ่ะมีเท่าสวีเดนค่ะเป็นสิบเลยนะเก้าแล้วเจ็ดแปดเก้าอันนี้เก้าประเทศแล้ว คำถามจากคุณอภรณดีค่ะหนู่วงนอนเวลานั่งสมาธิควรแก้ไขยังไงดีคะลุกขึ้นมาเดิน <c oughs> เวลานั่งแล้วมันหลับก็ลุกขึ้นมาเดินกัด <c oughs> คำถามจากคุณต้องค่ะบางครั้งโยมหลุดเวลาคนมาทำให้โยมโกรธแต่ไม่ถึงสามสิบวินาทีก็คิดได้สติขึ้นมาคิดอย่างแร่อาจารย์สอนและคิดสงสารเขามากกว่า ตอนอย่างนี้ตอนแรกที่โยมโหโยมสร้างกรรมกับเขาอีกใช่ไหมคะก็ถ้าโมโหในใจแล้วยังไม่ไปพูดไปทําอะไรก็ยังไม่ได้สร้างกรรมถ้าโมโหแล้วไปด่าเขาไปทุบตีเขาเนี่ยถึงไปสร้างกรรมถ้าเรามีสติทันเราก็หยุดความโมโหแล้วเราก็เฉยเฉยไปไม่ไปพูดไปว่าอะไรเขาไม่ไปทําอะไรเขาก็ยังไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันนั่นเราต้องสติเราต้องไวกว่า น, นี้ คือใจแ ล, แล้วคอยสอนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธเขาไม่โมโหกับเขาเลวลาเจอใครนี่เตรียมตัวไว้ก่อนว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขานะอย่าไปต้องการอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่โกรธเขาคําถามจากคุณมาลีถ้าเพียงแต่ได้อับปนาสมาธิจะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายแม้แต่ของคนรักหรอคะ เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิถ้าออกจากสมาธิมาก็ยังทุกข์อยู่เพราะกิเลสความรักชังมันยังยังมีอยู่เวลามันโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าสิ่งที่เรารักมันไม่เที่ยงเป็นอนัตตา<ม>เราห้ามไม่ได้ห้ามไม่เข้าจากเราไปไม่ได้ถึงเวลาเขาจะไปก็ต้องไปถ้าเราอยากให้เขาไม่จากเราเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ไอยากให้เขาไม่จากเรา พอเราจะอยากหรือไม่อยากเขาก็จากเราอยู่ดีถ้าเราอยากให้เขาไม่จากเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเราก็ต้องไม่อยากให้เขาจากเราไปอยอมรับความจริงคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะยมเข้าใจว่าผู้ที่จะสืบทอดพุทธศาสนาได้ต่อไปคือผู้ที่ได้อริยผลขั้นแรกขึ้นไปคือพระโสดาบันแต่พุทธบริษัทสี่ได้แก่ภิกษุ พิโซนีอุบาสกอุบาจิกาถ้ายังไม่บรรลุพระโสดาบันจะสืบท่าพระพุทธัาสนาไปได้อย่างไรคะก็ได้แบบนกแก้วได้แต่ท่องคำพีกันไปแต่จะไม่ได้ตัวธรรมะได้แต่ชื่อธรรมะไปซึ่งก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้มาศึกษาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ ถ้าเป็นศาสนาก็มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อต้องต้องบรรลุธรรมต้องบรรลุตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเป็นเนื้อของศาสนาถึงจะสามารถเอาเนื้อศาสนามาแบ่งให้คนอื่นกินได้คำถามจากคุณชินบ้านของโยมเป็นบ้านสองชั้นโยมนั่งบริกา ร, รพุทโธ ท, ที่ชั้นสองของบ้านประมาณสิบนาทีโยมได โยมรู้สึกได้ยินเสียงพูดคุยของน้องที่อยู่ชั้นล่างชัดเจนมากแม้กระทั่งเสียงเดินก็ได้ยินไม่ทราบว่าโยมทําถูกหรือไม่ในการนั่งเพื่อเข้าสมาธิเพราะโยมเกรงจะทําผิดทําให้เสียเวลาเจ้าค่ะคือการจะได้ยินอะไรหรือไม่ได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรไม่เห็นอะไรนี่มันเป็นสองที่เราห้ามไม่ได้เวลานั่งไปมันก็มีผลข้างเคียงปรากฏให้เรารับรู้แต่สิ่งที่เราควรจะทํำก็คือไม่ไปสนใจให้เราอยู่กับ คําบริกรรมของเราไปอยู่กับการภาวนาของเราไปแล้วเดี๋ยวจิตเราสงบมากขึ้นมันก็จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆต่อไปถ้าเราไปสนใจไปรับรู้เราก็จะไม่บริกรรมแล้วเราก็จะไม่คืบหน้าการภาวนาของเราก็จะติดอยู่กับที่เสียงนั้นยั้นเวลาได้ยินเสียงได้เห็นอะไรก็อย่าไปสนใจถ้าเราพูดโทยอยู่แล้วก็พูดโทต่อไปเรื่อยๆถ้าเราดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆอย่าอย่าเสียสมาธิ ให้อยู่กับให้อยู่กับลมอยู่กับคำบริกรรมไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆที่ให้เรารับรู้มันก็จะหายไปคำถามจากคุณนนท์นี่ค่ะภาวนาแล้วนอนไม่หลับครับเหมือนมันรู้ว่าหลับพอรู้สึกหลับหลับตื่นตื่นครับตื่นมาเหมือนไม่ได้นอนอ่อนเพลียครับแก้ยังไงครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แก้ยัง ปัญหาคือเวลานอนไม่หลับที่มันนอนไม่หลับเพราะอยากให้มันหลับถ้าไม่ไปอยากให้มันหลับเดี๋ยวมันก็หลับเองพอไม่หลับปั๊มอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ถ้ามันไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งต่อเดี๋ยวนั่งทักทักเดี๋ยวมันก็ง่วงเดี๋ยวก็ลงกลับลงไปนอนหลับเองข้อสําคัญก็คือเวลานอนไม่หลับอย่าไปอยากให้มันหลับยิ่งอยากให้มันหลับยิ่งไม่หลับใหญ่ ก็อย่าไปสนใ จ, จ ม, ม, นททมันจะหลับไม่หลับก็ช่างหัวมันแล้วก็ดูลงไปพุทโธไปมันจะหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรถ้าอยากแล้วมันจะไม่มีวันหลับหลับยากคําถามจากคุณสองนาเร่เพื่อนๆฝากเงินไว้ที่หนูก้อนนึง <c oughs> ไว้ทาบุญทําทานตลอดปี <c oughs> เหมือนหนูทําหน้าที่เป็นสะพานบุญ ทุกๆครั้งที่เอาเงินไปทําบุญทําทานให้เพื่อน <c oughs> หนูจะโพสต์แจ้งใน facebook <c oughs> ให้เพื่อนๆได้ร่วมอนุโมทนา <c oughs> แบบนี้บุญที่ได้เสมือนเพื่อนเจ้าของเงินได้ทําด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นเงินของเขาก็เป็นบุญของเขาเราก็ได้บุญในการนึนงคือบุญรับใช้ผู้อืน่นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นนี่ไม่ใช่เป็นบุญที่เกิดจากการเสียเงินคนละบุญกันคํำถามจากคุณมิรัต์ค่ะ เมื่อมีความกลัวมากๆขณะปฏิบัติคขงความกลัวด้วยการกำหนดลมหายใจหรือพุโทโธไม่ไหวจึงสวดมนต์แทนแต่จิตก็ยังไม่รวมถึงข้างสงบจะต้องทำอย่างไรดีคะก็สวดไปเรื่อยๆจังการมันจะสงบสวดไปจังกามันจะสงบคำถามจากคุณวีรพรค่ะพี่เลี้ยงเปิดเทศให้หลานฟังก่อนนอนแรกๆเขาต่อต้านแต่พอเปิดทุกคืนเขากลับชอบบอกว่าเวิร์มากๆ แรกๆฟังแล้วดีใจแต่พอได้สติก็สอนตัวเองว่าดีก็สักแต่ว่าดีส่วนหน้าที่หนูกลับมาพุทโธต่อทําอย่างนี้ถูกต้องไหยคะ อ, ออย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนะน้องยุ่งกับเรื่องของเราคือทําใจให้เราสงบไม่ไปยุ่งกับคนอื่นคำถามจากคุณปัทมาภรพุทโธ ท, ทั้งวันเมื่อมีเวลาพอตอนกลางคืนนั่งสมาธิก็เกาะพุทโธ หลังจากนั้นก็ไปจับที่ลมหายใจเองซึ่งมันเป็นไปเองแต่ลมหายใจลูกเปลี่ยนไปเป็นเบามากเบาจนบางครั้งสงสัยว่าตัวเองหายใจหรือเปล่าอย่างนี้คือไม่ต้องไปสงสัยใช่ไหมเจ้าคะให้รู้เฉยๆให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันจะตกลุมไปเองถ้าไปสงสัยมันก็จะไม่ตกเพราะมันปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งให้รู้ว่ารมละเอียดแม้กระทั่งรู้สึกว่า จับลมไม่ได้ก็รู้ว่าจับลมไม่ได้ให้รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปว <c oughs> ประเทศแล้วมีเพิ่มอีกหมวันนี้ยังคำถามจากคุณพัชชาเวลามีสิ่งมากระทบทั้งคำพูดหรือการกระทำแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ชอบก็จะรู้สึกโมโ oh ห ok ขึ้นมาทุกทีบางครั้งคิดได้ก็จะตามจิตไปดู แต่บางครั้งก็จะมีอารมณ์ติดอยู่กับสิ่งที่เขาพูดหรือทำจะทำอย่างไรเวลาที่เราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบคะก็หัดชอบสิถ้าชอบแล้วมันก็จะสบายถ้าหัดถ้าบางครั้งมันชอบไม่ได้ก็อย่าอย่าไปคิดถึงมันใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้พุโทโธพุโทโธไปหรืออย่าไปอยากอย่าไปอยากในสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบปล่อยเข้าไป ต้องถามจากคุณพนมพรหลายหลายคนมีความเห็นว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงไหมครับขอความกระจ่างครับ อ, อ๋อเลือกได้เพียงแต่ว่าจะเจาะจงว่าต้งเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้มันไม่ได้แต่เลือกมาเป็นมนุษย์ได้เลือกเป็นเทวดาได้เลือกเป็นเดชะชานได้เลือกเป็นเปรตเลือกอันนี้เลือกได้เพราะกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่ให้กำเนิดกับเราถ้าเราทำบาปเราก็เลือกแล้วแหะว่าถ้าไม่เดชะฉานก็เปรต ไม่เปกก็อสุรกายไม่อสุรกายก็นรกถ้าเราไม่ทําบาปเนี่ยอบายเราก็ไม่ไปแล้วเราก็จะมาเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาถ้าอยากจะเป็นพรหมเราก็มาบวชมานั่งสมาธิกันถ้าอยากจะเป็นพระอริยเจ้าเราก็ต้องเห็นอริยสัจสี่เลือกได้เพียงแต่ว่าจะไปเลือกแบบว่าไปเกิดประเทศนั้นประเทศนี้เป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้นี่คิดว่ายาก คนั้นหละมีคนบอกว่าอยู่ชิคาโก USA ก็อยู่ประเทศที่เดียกว่าเท็กซัสก็ยังถือว่าเก้าประเทศอยู่คำถามจากคุณต้องค่ะโยมทาบุญตอนนี้หรือปฏิบัติโยมภาวนาขอให้โยมและคนรอบข้างรู้แจ้งเห็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้สามารถขอได้ไหมคะขอไม่ได้หรอกต้องอยู่ที่เหตุเราต้องสร้างเหตุเท่านั้น เหตุที่จะทำให้คนรู้แจ้งเห็นจริงนี่เราไปสร้างไม่ได้เพราะต้องเป็นของใครของมันเราสร้างได้แต่เฉพาะเหตุของเร า, าเราอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงก็นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมจเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาคำถามจากคุณนันทนาค่ะถ้าเราไปทำบุญมา กลับมาบ้าน <c oughs> บอกแม่ว่าเอาบุญมาฝากแม่จะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกถ้าเป็นบุญของเราถ้าเป็นเงินของแม่แม่ก็ได้ <c oughs> แต่แม่จะได้บุญจากการอนุโมทน า, <c oughs> าดีใจที่ลูกไปทำบุญมีความสุขกับลูกความสุขนี้ก็เรียกว่าบุญเหมือนกันแต่ถ้าแม่ไม่ดีใจแม่บอกว่าไปเสียเงินเสียทองนะไมเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าแม่ก็จะไม่ได้บุญ คำถามจากคุณรินยาหนูนั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่น่าจะเกือบยี่สิบนาทีจึงถอนภาวนาออกแต่สภาพร่างกายคือคอตกตัวเอียงไม่ได้นั่งท่าเดิมแบบนี้คืออย่างไรเจ้าคะแต่ไม่ได้หลับแน่นอนไม่ได้หลับก็ไม่ได้หลับสิมันธรรมดาบางทีนั่งไปร่างกายมันก็มีการเอียงได้มีการอะไรได้ ข้อสำคัญก็คือว่าใจเราสงบหรือไม่สงบเท่านั้นเองถ้าสงบเราก็ได้สมาธิถ้าไม่สงบ ก, ก็ยังแสดงว่ายังไม่ได้สมาธิอาจารย์คะถ้าเราเราปฏิบัติถ้าเราจํำเป็นต้องไปเรียนปฏิปริญญาพระธรรมถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติก็ไปเรียนถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องเรียนเหมือกับขับรถถ้าเราขับไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนขับขับเป็นแล้วไปเรียนทําไมใช่ไหม แ, แค่นั้นเนะ่ะบางทีมันไม่ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนถ้ายังไม่รู้ก็ไปเรียนแต่ไปเรียนก็ระวังเดี๋ยวไปเรียนวิวชาที่เขาไม่สอนให้ปฏิบัติ ว, วิชาก็สอนให้เราคิดอีก <c oughs> แต่วิชาอภิธรรมนี่สอนให้เราคิดทั้งนั้นนะ <c oughs> คิดแล้วก็คิดว่าเราบรรลุแลจากการที่เราคิดสิ่งที่เราเรียนมาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติเลยอันนี้ระวังเรียนแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะหลงได้ ต้องเรียนแบบที่เขาสอนให้นั่งพุโทโธพุธโทโธไปเลยค่ะต้องไปปฏิบัติไปรักษาศีลไปทำบุญทำทานเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลคือปฏิเวทตามมาคำถามจากคุณอ้อมค่ะการปฏิบัติระหว่างการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นขณะเดินนั่งทำงาน ที่หนูทำคือการดูอารมณ์ความคิดหรือภาษะที่เข้ามาก็รู้อยู่เฉยๆไม่ไปปรุงต่อแบบนี้ได้หรือไม่คะได้ถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็ใช้ได้ถ้าหยุดได้เวลาเกิดอารมณ์เราก็ต้องหยุดมันได้เวลาโลกรธเราก็ต้องหยุดมันได้เวลาโลภก็ต้องหยุดมันได้ถึงจะถึงจะถือว่าใช้ได้ไม่ใช่ดูตอนที่มันไม่มีอารมณ์ก็ดูไปพอมันโลภขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้หรือไม่หยุดมัน เวลาโกรธก็ไม่หยุดมันอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้คำถามจากคุณนันทนาเราเราเห็นพระที่ดูแล้วไม่สํารวมใจเราก็นึกตำหนิโดยอัตโนมัติเป็นบาปไหมคะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรทางกายทางวาจายังไม่ถือบาปยังถือว่าเป็นเรื่องของสังขารความคิดปรุงแต่งของเรา คำถามจากคุณสินีค่ะโสดาปฏิมา ต, ต้องทาอย่างไรคะก็ต้องพิจารณาร่างกายว่าไม่ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องปล่อยมันให้ได้ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายให้ได้คือยอมเจ็ บ, ย อ, จบยอมตายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็เฉยเฉยอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้ เร่ยกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่โวยวายไม่บน่นไม่อะไรเฉยๆอยู่กับมันไปไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยคําถามจากคุณต่อพระอาจารย์เคยรับรองระดับรมใครไหมครับเพราะมีคนพูดว่าพระอาจารย์รับรองแล้วไม่เกยของเรายังตัวเราเองยังรับรองไม่ได้เลยเราไปรับรองคนอื่นได้ไง ก็ดีเป็นการมีโอกาสจะได้ตอบไปใครมาอ้างว่าเราไปรับใครเราไม่รับรองใครทั้งนั้ น, น, นตัวเรายังไม่รับรองเลยตัวเรายังไม่เคยประกาศว่าตัวเราเป็นนู่นเป็นนี่เลยคำถามจากคุณปัทมพรค่ะถ้าตอนนั่งสมาธิพอรู้ตัวว่าตัวเริ่ม ง, งอเรายุดตัวให้ตรงอย่างนี้สมาธิหลุดไหมคะหรือถ้ามันงอ ก, ก็ปล่อยให้มันงอไปเลยเจ้าคะ ควจะปล่อยมันเพราะถ้าเรากลับมายุ่งกับร่างกายก็แสดงว่าเราเริ่มต้นใหม่เหมือนกับเรากลับมาเริ่มต้นที่หนึ่งใหม่การนั่งสมาธิเพื่อปล่อยร่างกายมันถึงจะสงบได้ถ้าเราไม่ปล่อยร่างกายมันก็จะมันก็จะไม่สงบนะเวลามันงอก็ช่างมันเวลาที่เราเริ่มต้นนั่งก็ตั้งให้มันตรงก็แล้วกันตั้งให้มันตรงแล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันจะงอแล้วไม่งอมันไม่ไม่สําคัญ สำคัญที่ใจเราอยู่ที่พุโทโธหรือเปล่าจะดีกว่าให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมไปมันจะงอบ้างก็เรื่องของมันคําถามจากคุณมลิค่ะเปรตอสุรกายสัตว์เดราชานเป็นตัวตัวแต่นรกเหมือนเป็นสถานที่ทําไมต่างไปจากสามอันแรกคะเอานาลกก็ไม่ได้เป็นสถานที่นนลกก็เป็นเป็นสภาพจิตไงที่มีแต่ความทุกข์มีความ มีแต่ความรุ่มร้อนเพราะความโกรธเสียดเทียบแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกส่วนอสูรกายนี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวต่างๆส่วนเปรตก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆความหิวความโหยความต้องการสิ่งต่างๆเหมือนกันเป็นนวงจิต เป็นสภาพของจิตใจที่มีความรุ่มร้อนแต่รุ่มร้อนด้วยเหตุผลต่างกันเหมือนกับไฟที่อาจจะลุกด้วยน้ามันเบนซินหรือน้ามันดีเซลหรือลุกด้วยแก๊สมันก็เป็นไฟเหมือนกันแต่เชื้อเพลิงไม่เหมือนกันเปตก็เชื้อเพลิงของเปตก็คือความโลภความอยากได้ส่วนอสูรกายคือความทุกข์ของอสูรกายก็คือเชื้อเพลิงของมันก็คือความกลัว กลัวไปหมดกลัวคนนั้นเขาจะทำร้ายเรากลั ว, วคนนั้นเขาจะมากั่นแก้งเรากลั ว, วคนนั้นจะมาโกงเราก็เลยไปทําบาปเพื่อไม่ให้เขามาโกงเราก็เลยกลายเป็นอสุรกายไปส่วนความทุกข์ความรุ่มร้อนที่เกิดจากความโกรธเกลียดเคียดแค้นหน้าทาพยาบาทเนี่ย mm. ก็เรียกว่าไฟนรกเนี่ย mm. มันเป็นไฟเหมือนกันเป็นความทุกข์เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่าเชื่อเผยมันไม่เหมือนกันเหตุที่ทําให้มันทุกข์ไม่เหมือนกันคําถามจากคุณภูมิใจที่ว่ากโกรธหยุดหมายถึงหายโกรธในทันทีหรือโกรธอยู่แต่เราหยุดที่จะพูดหรือทําอะไรขณะโกรธครับก็แล้วแต่ถ้าโกรธหยุดก็คือมันก็หยุดอย่ า, าไปมือจะให้อธิบาย <c oughs> <c oughs> มันหยุดก็หยุดเลยมันหยุดก็หยุด แต่มันจะหยุดอย่างท้าวรหรือไม่เท่านั้นเองถ้าหยุดท้าวรมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาอีกถ้าหยุดแบบไม่ถ้าวรเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาได้จะหยุดชั่วคราวก็หยุดด้วยสติถ้าหยุดท้าวรก็หยุดด้วยปัญญาหมดได้ยังยังโอ้มาเยอะอ๋อยเอายัางมาคำถามนะคำถามจากคุณปีนุตค่ะในชีวิตประจาวันบางช่วงเวลารู้สึกใจท่องว่า สภาวะสังโคสังคังน้ำามิอยู่บ่อย <c oughs> ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะเพราเราชอบบทนี้มนะันก็ท่องไปได้จลิตของแต่ละคนอาจจะเคยใช้ บ, บทไหนามาก่อนในอดีตมันก็ท่องไปอย่างสมัยที่เราปฏิบัติเราไม่รู้ยงไงมันก็ชอบท่องอานิจังอานิจังไปมันไม่ได้ท่องพุโทโธนะมนมอานิจังอานิจังมันก็ใช้ได้เหมือนกันใช้แทนกันได้แล้วนะแต่จลิตของแต่ละคนบางคนอาจจะพุ <c oughs> ทธังสระนางกระถามิก็ได้ ทำมังสวานกฐามิก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ก็เป็นเป็นเครื่องมือที่จะใช้ได้เอาแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ